ฤก็ได้เดินทางเข้ามาถึงภายในห้องบรรยายแห่งนี้แล้วค่ะก็กราบอราราธนานิมนต์ท่านเลยนะคะบนเวทีเพื่อที่จะแสดงธรรมให้กับผู้ฟังซึ่งเป็นคณาจารย์ของทางวิทยาลัยพนิชการเชตุพลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งนะคะ และขณะนี้ทุกท่านนำโดยท่านผูน้อำนวยการดรชมพูนุชบัวบางสอนก็พร้อมแล้วนะคะที่จะฟังการแสดงธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบดิฉันก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะได้กราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมจากท่าน3ครั้งคะ่ะ และขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าเลยนะคะอ่าเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเรา <c oughs> ที่นี่นะ <c oughs> คงจะได้ทราบข้อมูลต่างๆมาแล้วตั้งแต่เช้าเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้พอจะทราบแนวทางที่อัรมาใช้ในการ เผยแผ่ธรรมะนะก็คือคำสอนพระศาสดาโดยตรงนั่นเองนะพุทธวัจนะติคำที่ออกจากป่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะก็มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่มีข้อสงสัยอะไรในช่องนี้ไหมก็เห็นได้ข้อมูลกันมา พอสมควรตั้งแต่เช้าแล้วขอโอกาส น, นะคะท่านอาจารย์ขออนุ ญ, ญาตที่จะพูดช่วยท่านอาจารย์นิดนึงคือสําหรับท่านที่มีคําถามแล้วท่านแสดงเจตนาได้เลยนะคะว่าท่านประสงค์จะถามด้วยตัวของท่านเองดิฉันเตรียมไมโครโฟนเอาไว้ให้หรือว่าท่านจะให้เรารวบรวมคําถามที่ท่านเขียนมากลับเรียนถามท่านอาจารย์ตอนนี้มีหรือยังคะ โหท่าอาจารย์คะไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่ฟังซีดีนี่สงบกันได้แบบจิตอยู่ในสมาธิกันหมดแล้วมีใครมีคําถามหรื อ, อยังครับมีโอมีแล้วมาเลยค่ะน้องอ๋อระว่ังเด็กกับผู้ใหญ่เอาใครก่อนดี uh huh. เอาคําถามเด็กก่อนดีไหมคะ uh huh. อามาจุดเชื้อไฟหน่อยใครนะ่ะคาดผมตอนนี้สวยจําไม่ได้เลย uh huh. น้องอะไรคะ uh huh. น้องน้ําวุ้นวิ่งมาเลยลูกนี่ uh huh. พวกยกมือถามเลยนะคะ uh huh. แสงคุณอาเขามากอา ห, หนูจะถามอะไรกลับเรียนถามพระอาจารย์อ่าฮนะะใน่คารวาอะคะอ่าฮะในคารวานทำไมนะเออจะถามคารวาสนะาหค่ะคารวานะฮหคารวาฉัน เ, นะเล่นหนะาห้ออ่า ผมเล่นกาลางตาลามาถามนี่ก็เอาเปรียบสิบุญว่ายังไงเนาะเ <c oughs> ขาเล่าว่าครับแค่เป็นทางมาแห่งเอรี่ค่ะอ๋อน้ำวุ้นท่องได้ไหม <c oughs> ได้งั้นลองท่องสักขั้นสตดหนึ่งเนาะ พิสุจทั้งหลายตาถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตต่สรู้ชอบด้วยตนเอง uh huh. สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสรารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานจำแนกทำออกสั่งสอนสัตว์ ภิกสูทั้งหลายแต่ถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพมหมู่สัตว์กับทั้งสมณพรามณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอาันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามแต่ถาคตนั้นได้ ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพโรในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพมจารย์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขหบบดีหรือบุตรข้บบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคุจุฬานั้น ผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคาราวาดคับแคบเป็นทางมาแหางเธุรี ส่วนบรรภยชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ของเรือนเช่นนี้จับระพิพมาจย์ น, นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากะไรเราพึงตรงผมและหมวกและนวด <c oughs> ของผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวช เป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดี้ะอาจารย์คะค <c oughs> าราวะคับแคบเป็นทางหมายแห่งทุลีหมายความว่าอย่างไรคะอ๋อ <c oughs> ก็คือคาราวะเนี่ยคับแคบคือโอกาสที่จะจะได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากอะเพราะว่าคาราวะต้องทำมาหาอยู่หากินนะก็เลยต้องยุ่งเกี่ยวกับกิจการ าการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองอันนี้เป็นความคับแคบที่ทำให้เขาเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมเนี่ยมีโอกาสได้น้อยและเป็นทางมาแห่งทุลีทุลีก็คือความไม่สะอาดความไม่สะอาดทางกายเช่นจะมีการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในกรรมการพูดโกหกคาหยาบเพ้อเจอ้อสเสียด อกุศลกรรมบวชสิทเนี่ยคือความไม่สะอาดทางกายทางวาจาทางใจมันเป็นทางมาแห่งทุลีนั่นเองนะผู้เจ้าจึงบอกว่าคนที่มีศรัทธาจึงมองออกแล้วว่ า, าการมาบวชเนี่ยคือการบรรพชาเนี่ยจะเป็นโอกาสว่างนะเพราะพระเราเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงอาชีพขอทานนะลองดูพระสูตรเรื่องอาชีพขอทานนะผู้เจ้าบอกว่าพระเราเนี่ย เข้าถึงอาชีพขอทานนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมีภาระในการทํามาหาอยู่หากินใช่ไหมดีไหมอ่านะเป็นอย่างนี้นั้นลองดูตรงนี้นะพระเจ้าบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานดูก่อนพิกษุทั้งหลายคํำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคํำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เห็นไหม เข้าถึงอาชีพนี้คืออาชีพอะไรอาชีพขอทานข้างบนนี้นะที่พระเจ้าตรัสไว้เมื่อสักครู่นี้นี่อาชีพขอทานนี่นะเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปนำหน้านแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชเห็นนะแต่บวชแล้วโดยคิดว่าอะไรเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชราหมดนะความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนะ พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะสงสัยอะไรไหมคะก็จะถามเรื่องอริยมรรคมีองแปดมรรคมีองแปดท่องได้ไหยมรรคมีองแปดได้ค่ะโอ้โหท่องได้อีกแล้วน้าวุ่นนี่ท่องได้เป็นสิบสิบพสูตรท่นี้การจําคําพระศาสดาได้นยมีประโยชน์อะไรบางคนอาจจะโอ้ยแค่จําได้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พระศาสดาบอกว่า ใครที่ทรงจำคาศาสดาได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยคล่องปากขึ้นใจอยู่ในหัวหมดเลยพูดมาได้นะแม้เขาจะมีสติหลงลืมทากาลละเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาคนคนนั้นเนี่ยขาดสติเวลาตายแทนที่ปกติขาดสติเวลาตายเนี่ยจะได้ไปเกิดในอบายนะแต่ถ้าใครมีเหตุปัจจัยคือคล่องแคล่วทรงจาคาศาสาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในพบของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมในพบของเทวดาด้วย4อาการคือ1เขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่เขาท่องได้นะอย่างที่2เขาจะไปได้ยินพวกพิกสูผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทและจะบรรลุธรรมอย่างที่สเขาจะได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่4เขาจะได้ยินพวกเทพบริษัทผู้เก <tek comercial. S 1> ิดก่อนมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังแล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่คือ4อาการสำหรับเหตุปัจจัยอย่างนี้ เพราะนั้นคำศาสดาเนี่ยแม้จะจำได้แบบนกแก้วนกขุนทองก็ยังเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์นะมันจะติดข้ามภพข้ามชาติไปนะัน้นอ้าวไหนน้ำวุ้นลองอีกสักพ ร, รหนึ่งสิ อารีย ม, <อ>มทัที่่งแปดค่ะสมมาทิธิความเห็นชอบเห็นในอารียเสดสีสามมาสังกับปะความดำดีชอบดำดีออกจากการพยาบาทเบียดเบียนสามมาวาจาวาจาชอบไม่พูดเท็จพูดเสอเสียพูดทำอยาแบบพูดเพอเจ้อสมมาสามากมันตะ<อ>การงานชอบ ย้อนกลับไปดูสีลห้าข้อหนึ่งถึงสามข้อหนึ่งทำข้อสามเท่าสองทำแล้วจักข้อสามทำป็นพิติผิดในกอรมสัมมาอาชีวะอาชีพชอบไม่ไม่ฆ่าสัตว์เอไม่ค้ามนุษย์ไม่ฆาสัตว์ไม่ามนุษย์ไม่ฆาสุราไม่ค้ายาพิษไม่ฆาเครื่องประหารสัมมาควายามาความเพียรชอบเพียรในเอ่อ ละอะไรดีละกุศลที่ยังไม่เกิดก็อยาก<ะ>ให้เกิดส่วนกุศลที่เกิดแล้วก็ให้ดับไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดส่วนกุศลที่เกิดแล้วก็ให้จเจริญ ง, งอกงามไปสัมมาสติความระลึกชอบระลึกในสติประฐานสี่คร์ากายเวทนาจิต ทำแล้วก็สมาสมาธิวานตั้งใจมั่นชอบเกีชันทั้งสี่้งใจหนึ่งอ่าชันหนึ่งสองมี่ไหมคะถูกมีคำถามไหมไม่มีตรงนี้อ่าค่ะได้ดีมากหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออาจารย์ที่ต่อคิวน้องน้ำมุ้นก่อนได้ไหมคะ คะอาจารย์ใช้ไม้ดีไหมคะเดี๋ยวให้น้องหนุย่ยวิ่งไปให้เลยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องขออุ้มหน่อยนะอยากอุ้มเทวดาคะ่ะท่องได้ท่องได้เยอะหลายพระสูตรมากการพกรรมพระอาจารย์นะคะคือขอเรียนถามกล่าวนะคะเพื่อนมีข้อข้องใจว่ามีบางท่านบอกว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยไปเที่ยวสวรรค์แล้วก็เที่ยวนรกนะคะไม่ทราวบว่าเกิดจากจิตปรุงแต่งหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นมาจริงนะคะ ข้อคำถามที่สองนะคะเคยได้ยินมีคนพูดกล่าวว่าคนเรากรำดีและกรำชั่วก็แล้วแต่ที่เราไปปฏิบัติมาเมื่อเราหมดสิ้นญายุคหายล้วไปนะนะคะก็ต้องไปชดใช้กรรำดีและกรมชั่วที่ตัวเองได้กระทำสุดแต่ว่าขณะที่เราสิ้นลมนั้นเราได้คิดถึงกรรมดีก่อนหรือว่าคิดถึงกรรมชั่วก่อนนะคะแต่ปัจจุบัน เ, เคยได้ยินคนกล่าวบอกว่าตายแล้วเกิดเลย ก็ เ, เลยสับสนว่าตกลงต้องไปใช้กรรมหรือว่ารับรับกุศลก่อนหรือเปล่าทระการนับภาษการอเดี๋ยวนะแต่ละคำถามวัตมาจะตอบยาวถ้าจำคำถามต่อไม่ได้ก็อบอกคำถามซ้ำด้วยอีกทีหนึ่งอันแรกคืออะไรนะเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> นรกสวรรค์นั่งไปเนี่ยนั่งสมาธิไอ้พวกที่เห็นนรกสวรรค์ก็มีทั้งปูนแต่ง เห็นจริงก็มีปรุงแต่งก็มีนะ <c oughs> แต่การทำสมาธิของพระศัสดาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรให้เห็นการทำงานของจิตที่ทำงานอยู่กับรูปนามทั้งสให้รู้จักขันห้ายมนั่งสมาธิยมต้องรู้จักจิตของตัวเองว่าจิตคืออะไรเป็นผู้รู้เฉยๆและจิตผู้รู้นี้เข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้รูปเข้าไปรู้เวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นเวลาเช่นยมนั่งรู้ลมหายใจ เดี๋ยวโยมจะหลุดไปคิดเรื่องอดีตบ้างสัญญาขันหลุดไปคิดอนาคตบ้างสังขารขันหลุดไปพอใจไม่พอใจบ้างเวทนาขันกลับมารู้ลมบ้างต้องเห็นกระบวนการทํางานของจิตอย่างนี้นี่ถึงจะเรียกว่าเข้าไปเห็นเพื่อที่จะได้มรรคผลนิพพานคือความไม่ตายถามว่าเห็นนรกสวรรค์แล้วยังตายไหมยังตายเหมือนเดิมไปเห็นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลิกเห็นแล้วก็ตายอยู่ดีความทุกยังเกิดขึ้นได้ พระศาสดาไม่ได้มาสอนแค่นี้สอนให้เข้าถึงความไม่ตายนะเทวดาตายไหมตายพรมตายไหมตายพรมเทวดาตายแล้วพ้นจากนารกกัมเนศเดชานเปลืวิสัยไหมไม่พ้นผู้เจ้าบอกพรมเทวดาเมื่อตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนารกกัมเนศเดชานหรือเปลืวิสัยนะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเป็นไปเกิดเป็นพรมเป็นเทวดาไปกายไปได้กายอย่างใดอย่างหนึ่ง ผุจาบอกการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เข้าถึงกายเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตนะบัณฑิตจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไม่เข้าถึงกายเพื่อหลุดพ้นนะการที่เราต้องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไปเป็นเทพนิยายชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ขาดทะลุด่างปลอยเป็นความเศร้าหมองของพรหมจรรย์นะอ่าเป็นของคนผ่านเพราะนั้นสิ่งนี้คือที่พระตรัส พระตถาคตได้ตรัสเอาไวนะ้นั้นความถูกต้องเนี่ยวัดจากใครนะคนนี้บอกว่าเห็นดีคนนี้บอกเห็นแล้วไม่ดีก็เอาคําตถาคตสิมาเป็นข้อยุติใช่ไหมอ่านะนั้นเราจึงวางคําสาวกไม่เอาอาจารย์ไหนก็ไม่เอาเพราะพระศาสดาสั่งไว้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยอย่าบัญญัติอะไรก็ตามห้ามบัญญัติเพิ่มนะพระองค์บอกว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นจะเป็นพระละหัน์โสดาสกิทาคานาคาไม่มีสิทธิ์บัญญัติสาวก ค, คือลูกศิษย์พระพเจ้ายามาบัญญัติอาจารย์คือตถาคตเท่านั้นเป็นคนบัญญัติเพราะตถาคตผู้เดียวเป็นสัพพัญูรทุกเื่อง ไม่มีข้อผิดพลาดกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจัดกับอคเวสณนาะบอกอคเวสณาจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆเนี่ยยอมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินี้อันเป็นในภายในกำหนดสมาธิตั้งแต่คำพูดคำแรกกระทั่งสุดท้ายและคำสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันทั้งชีวิตตั้งแต่ราตรีที่ตัดสรุป ถ, ถึงปรินิพานจัดกับพิสูจ์ทั้งหลายแล้วก็จัดอีกว่าคำโปรงเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา พระหลานก็ทำไม่ได้พระสาริบุตรก็ทำไม่ได้พไไดเพราะฉนั้นพระตถาคตจึงบอกฟังแต่คําตถาคตนะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระสูตรที่จะแจกให้ไปเนี่ยแผ่นพับตรงเนี้ยเป็นการบอกความสําคัญของคําพระาศาสดานะที่เรียงร้อยไว้นะสิบกว่าพระสูตรนะจะทําให้เราเห็นว่าพระตถาคตบอกให้ฟังคําตถาคตเท่า น, นั้นอย่าฟังคําที่แต่งขึ้นใหม่เรียกว่าสาวกภาสิตาสาวกพาสิตขึ้นใหม่ ให้ฟังแต่ตถาคตภาสิตาคําของตถาคตอย่างนี้แตอนนี้ก็นี่เรื่องเห็นโลกสวรรค์ไม่ได้เกิดประโยชน์สิ่งที่ผู้เจ้าต้องการให้เห็นคืออริยสัตตีนั้นนั่งสมาธิต้องเห็นอริยสัตตีอริยสัตตีคือเห็นการเกิดการดับของธรรมชาติภายในจิตของเราเนี่ยนะสุขเกิดดับทุกเกิดดับคิดอดีตเกิดดับคิดอนาคตเกิดดับรูปเกิดดับจิตเกิดดับเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดนะอันนี้ถึงจะหลุดพ้นได้ อส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของอะไรนะที่ยมบอก <c oughs> ว่ากุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมนะคะ uh huh. ที่จะนําพาเออแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ว่าเวลาเราตายไปแล้วเนี่ย uh huh. คือถ้าจิตเราคิดถึงกุศลกรรมที่ทําไว้ก่อน uh huh. ก็จะไปเสวยสุขตัวนั้นก่อนใช่ไหมคะส่วนถ uh ้ huh. ารเรา ท, ทหารที่เราพอจะตาย uh huh. แล้วคิดถึงกรรมชั่วที่เราทําไว้ huh. ก็จะไปชดใช้กรรมชั่วนั้นก่อนอื uh huh. แต่ตอนหลังนี่มีคนได้ไดเคยได้ยินพูดคำว่าปัจจุบันก็คือตาแล้วเกิดเลยก็เลยสงสัยว่าตกลงต้องไปใช่ไหมคะถูก <ลง S 1> ทั้งสองอย่างเราไม่รู้กระบวนการทำงานของจิตแค่นั้นเองผู้เจ้าบอกเนี่ยจิตก่ออารมณ์ใดเนี่ยจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นนะเราคิดเรื่องอะไรล่ะนั่นนะที่ตั้งอาศัยของวิ ญ, ญญาณพร ะ, ะถรรมตดัตว่า ถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดั่มรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณหรือจิตเราไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วเป็นพบแล้วนั้นพบชาติชร า, ามมนะเกิดทุกขณะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้โยมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยใจไปคิดเรื่องนปุ๊บพบเกิดแล้วนะวินาทีนั้นน่ะจิตโยมไม่อยู่กับกายแล้วนะและโยมก็เพลินกับการคิดต่อไปนะถ้าร่างกายตายไปในขณะนี้ อตภาพโยมจะได้ไปตามความคิดนั้นนี่ไงตายแล้วเกิดเลยไงเข้าใจไหมเพราะวิญญาณเราไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยการคิดตรงนั้นเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ไปสเสวยวิบากแห่งกรรมในอารมณ์ตรงนั้นก่อนถ้าเป็นกุศลก็ไปสู่สุคติก่อนมันก็ถูกทั้งสองอย่างที่บอกมาใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจอหมนั้นคนเรานั่งสมาธิต้องเข้าไปเห็นกระบวนการทํางานของจิตว่าจิตทํางานยังไงนะ กูเจ้าจึงบอกพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันทั้งสี่วนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารสีขันนี้เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณผู้เจ้าเรียกว่าวิญญาณทิติซึ่งโยมสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเข้าใจไหมอ่าค่ะจบคําถามนี้แล้วค่ะท่านอาจารย์ข้างหน้าค่ะเชิญค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะเออในอาชีพของครูเนี่ย จัดว่าเป็นอาชีพที่สร้างบุญและสร้างบารมีเราก็สร้างวิถีชีวิตที่ดีให้แก่สิทธิ์ <c oughs> สร้างความสว่างให้แก่สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราครูทําความผิดที่จะทําให้เกิดบาปกับครูนั้นเหมือนดาบสองคมนั้นบาปที่จะเกิดขึ้นได้กับครูถ้าหากว่าเราใช้อาชีพครูในทางที่ผิดออื <c oughs> นะคะ ประเด็นที่หนึ่งคือถ้าเราใช้อาชีพไปในทางที่ผิดจะทำให้เกิดบาปแกค่ครูนั้นมีอะไรบ้าง mm hmm. เหมือนอย่างกับมีทุกข์และในขณะเดียวกันก็มีสุข mm hmm. ถ้าคุณสร้างสิทธิ์ให้เป็นคนดีแต่ถ้าคุณใช้อาชีพของคุณในทางที่ผิดบาปจะเกิดอะไรขึ้นในประเด็นที่หนึ่งนะคะ <ม>ประเด็นที่สองตอบที่เราประเด็นในมัธยมารรม<ด>จิตจำ ค, คำถามไม่ห<ด>มดอัตมาตอบมันจะยาวมันจะโยงท้อสุดเยอ ะ, ะนะอันแรกเนี่ยผิดถูกเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นผิดถูกตรงเนี้ยนั่นคือหลักการถูกผิดของพระพุทธเจ้าถูกผิดทุกคนก็บรญยติกันได้อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนั้นถูกอันนี้ผิดแต่พระุทธเจ้าบอกว่าการกระทําทางกายวาจาใจนะในยะหนึ่งก็คือหนึ่ง เบียดเบียนตนเองไหมสอเบียดเบียนผู้อื่นไหมสาเป็นประโยชน์ตนเองไหมสีเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าถ้าเราส่งออกไปแล้วเนี่ยกุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ส่งออกต่อไปถ้าเราส่งออกไปแล้วทางกายวาจาเนี่ยอกุศลเจริญกุศลเสื่อมอย่าส่งออกความเพียรก็เช่นเดียวกันความเพียรใดทําไปแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมอย่าทําต่อหยุดความเพียรนั้นเสียเข้าใจไหม ให้เราทราบหลักการถูกผิดซะก่อนไม่งั้นสิบคนก็เอ๊ะถูกผิดคืออะไรใช่ไหมอ่าเะนั้นโยมถ่ายทอดเนี่ยถูกผิดอาตมาเห็นมุมหนึ่งที่พระเจ้าตัดไว้เรากําลังถ่ายทอดกัลยาณวัตรที่ผิดข้อวัดที่ผิดความรู้ที่ผิดความรู้ที่คลาดเคลื่อนนั่นแหละนะจะเกิดโทษนะเนั้นเหมือนกันตรงนี้พระเจ้าอธิบายไว้ในการถ่ายทอดคําตถาคตเนั้นถ้าเราถ่ายทอดคําตถาคตคลาดเคลื่อน เรากำลังถ่ายทอดข้อมูลที่ผิดกาลยานวัตที่ผิดนะออกไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็ค่อยๆจำผิดต่อไปเช่นว่าอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าโยมสี่เหล่าเรามาตรวจดูไหมว่าสี่เหล่าจริงหรือเปล่าเราจำมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเรียนมาจากกระทรวงเดียวกันใช่ไกระทรวงศึกษาธิการเราก็จามาสเหล่าอาตมาก็จามาสี่เหล่า แต่ปรากฏพอไปดูในพระสูตรนะโยมมันกลายเป็นอะไรมันจะเป็นสามเหล่านะเหล่านึงเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวประทุมบัวบุญริกนี้ตัดกับราชกุมารนะบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจเลยในน้าอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้านี่1นึะบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจเลยในน้าอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำนี่2องบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจเลยในน้าอันน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้าอันน้าไม่ถูกแล้ว มีฉันดายราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นข้อมูลผิดอีกแล้วเห็นไหมอ่านี่แหละเราต้องทําการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องวันนี้อาตมาเอาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดมาแจกให้โยมซีดีแผ่นนี้ข้อมูลครบถ้วนข้อมูลนี้มาจากไหนไม่ใช่อาจารย์ครึกฤทธิ์แต่งเองข้อมูลนี้จากบาลีสามลัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกด้านพุทธศาสนาในประเทศไทยรอหเป็นผู้ทําไว้ รอหขอประชุมพระนิมนต์พระร้อยกว่ารูปที่วัดพระแก้วทั่วประเทศขอให้ช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามนะนั้นเรารู้ศาสนาพุทธกันเนี่ยเพราะคุณูประการของรชัชกาลที่5ช่วยมาแปลเป็นภาษาไทยนะไม่งั้นไม่รู้เรื่องเหมือนกันและนะรอหเอาหลักฐานนี่มาจากไหนบาลีอักษรขอเนี่ยนะเอามาจากราชัชกาลที่1นึ่งลองไปดูบาลีอักษรขอมนะ รหนทำเอาไว้เมื่อปี2 3 3 1ประชุมพระทั่วประเทศเหมือนกัน200กว่ารูปที่วัดพระสีสันเพชรกรุงเทพนะนี่อันนี้คือของที่รอนึทำเอาไว้นั้นภายใต้หลักฐานที่เก่าที่สุดตรงนี้นะเราเอามาใส่ในซีดีแผ่นนี้นะรเกาทำไว้ในซีดีและอาตมาก็ทำใส่ไว้ในพวกแท็บเล็ตของทุกคนนะใครมีแท็บเล็ตมือถือที่ใช้ระบบของ Android แล้วก็ Apple ล ใช้เวลาโหลดได้ไม่เกิน1นาทีถ้าที่ที่มี w i f i เรายมจะได้พระตะบิดกบาลีสามลัฐนะทั้งภาษาบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มพร้อมทั้งโปรแก ร, รมในการสแกนแบบเมื่อกี้นะสามารถสแกนได้ปั๊บวินาทีเดียวนะหรือว่าเช่นว่าโยมเคยกรวดน้ำไหมเคยพระพุทธเจ้าสอนในนอกรวดน้ำนี่เราก็ไปสแกนอ่ะลองไปสแกนดูเราก็สแกนใน บาลีสยามลัดคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่พบคําว่ากรวด น, น้ำในบาลีสยามลัดไม่มีแล้วเห็นไหมเอ๊ะเ<อ>มื่อกี้โยมนั่งดูนะอาัตามาคุยกับได้พบเรื่องอาณาปานาสตินะแล้วเราได้ลองถามอาณาปานาสติมีไหมเราลองสแกนคําว่าอาณาปานาเราก็คีย์คำว่าอาณาปานาสติเข้าไปอาณาปานาสติกดค้นหานะปับผัสดุขึ้นมาแล้วเห็นไหม จะบอกหมดเลยว่าอยู่เล่มไหนหน้าไหนเล่มที่19หน้าที่319อยสไปดูดูก่อนพิสูจหลายอาณาปานศรีอันพิสูจเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลมากมีนิสงมากเห็นนะฉนั้นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันนั้นนะวันนี้เนี่ยทุกคนมีข้อมูลเท่ากันหมดทั่วโลกนะเราทํากระจายไว้ให้แล้วทั่วโลกนะบาลีสามลัตตัวนี้ สืบทอดมาจากราชการที่หนึ่งรหนึ่งเอามาจากยุคทวารเรดีทวารเรดีเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะถ้ายมไปอินเดียจะเจอเสาหินโศกนะอักษรพราหมีภาษาประจิตนะคือตัวนี้นะอ่าตัวนี้อักษรพราหมีภาษาประจิตนะนี่คือต้นข้อมูลของทั่วโลกที่พระเจ้าโศกเนี่ยกระจายออกไป ของประเทศไทยก็ประเทศในแถบซูรณภูมิก็ได้มาเหมือนกันนะทุกประเทศก็ได้ข้อมูลมาจากตรงนีนะ้นั้นเราเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้โยมได้ทราบกันนะวันนี้เหมือนกับต้องเปิดโลกทัศน์ใหมนะ่จากบัวสเหล่าเป็นบัวสเหล่า <c oughs> จากโกรดน้ําเคยทํากันมาต้องบอกว่าทํำยังไงวิธีอุทิศบุญกุศลอย่างนะวิธีอุทิศบุญกุศลผู้เจ้าจัด ก, กับว่าเศรษฐาไว้แล้วโยมต้องเตรียมจิตไม่ใช่เตรียมน้ําเตรียมแก้ว เลิกเตรียมน้ําเตรียมแก้วได้แล้วศาสนาพุทธไม่เคยมีนะไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่คําตรัสพระศาสดาคำตรัสพระศาสนาให้เตรียมจิตปราศจากนิวรห้าตรัสไว้กับวาเศสธะนะบอกวาเสธะเมื่อพิสูจน์นั้นมองเห็นนิวรทั้ง5เหล่านี้ที่ตนละได้แล้วปราโมทย่อมเกิดปีติเกิดนะสวยสุขเทอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตา ย, ย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่1 2ึ่สามแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาง ด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตานะไม่มีภัยบาตรกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญ่หลวงวาเสตะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกาลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยั่ยยฉันใดเมตตาเจโตนุก็เหมือนกันเห็นไหมข้อมูลเราคนละเรื่องเลยแม้แต่พระเองก็ไปกันคนละเรื่องเห็นนะเพราะพระก็รู้ข้อมูลผิดอาตมาไปบรรยายให้พระฟัง700รูปที่สุลินนะส่ร้อยรูปที่บุรีลำ ี4 0ยรูปที่ถ้ำดาวเขาแก้วพันกว่ารูปไม่รู้จักพุทธวจนะนะไม่รู้จักว่าเอ๊ะกวดน้ําใช่หรือไม่ใช่นะสาธยายธรรมสาธยายยังไงเราสอนให้นักเรียนสวดมนต์สวดอันนี้สวดอันนี้สวดนี้แต่ตกลงแล้วพระพุทธเจ้าเราสวดอะไรพระพุทธเจ้าสวดกดอิทัพปัจชะตาปฏิจจสูบาท น, นะในหนังสือสวดมนต์ตรงนี้สาธยายธรรมเราทํามาให้นะอืม หน้ายีคือกฎอิทับปัจเจตากับปฏิจจสุบานศาสดาเราสวดเองด้วยพระองค์เองนะนี่เป็นอย่างนี้นั้นอาตมาทำตรงนี้ให้เพื่อแจกในโรงเรียนกลุ่มวิถีพุทธพันกว่าโรงเรียนประชุมผู้อำนวยการพันกว่าโรงเรียนทั่วประเทศภาคเหนือกลางใต้อีสานสองกลุ่มแจกหนังสือตัวนี้ให้ให้เขาไปอ่านให้นักเรียนฟังโยมอยากให้นักเรียนได้มีความรู้โยมกําลังเอาความรู้อะไรไปให้เขาเอาความรู้ของสัพพัญญู ไม่ใช่คําสอนอาจารย์คือฤทธิ์เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าและเป็นคําที่ออกจากปากพระตถาคตโดยตรงคือพุทธวจนะอาตมาคตพระสูตรที่ยาวประมาณสองสานาทีไม่เกินนี้โยมสลักเวลาหน้าเสาธงวันละประมาณสนาทีไม่เกินนี้นักเรียนจะได้ยินได้ฟังคําสอนศาสดาตัวเองไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสะกิดใจเขาเพราะคําสอนพระเจ้าคืออนุสาสนีปฏิหาร ใ rainfall, ครได้ยินได้ฟังคนนั้นจะกลายเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมมีโอกาสาที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาเห็นไหมเด็กจะซอฟลงทันทีไอ้พวกที่ตีลันฟันแทงเนี่ยมันจะเริ่มมีคุณธรรมขึ้นในใจพวกมันจะรู้ว่าอะไรคือความจริงใช่ไหมแกเจ็บตายมันจะมาใข้ควรตรงนี้ละเออสินสมาธิปัญญาเราพูดหน้าเสาธงไปเนี่ยสินา ท, สนาทีสิบนาทียม เอาคำศาสดาให้เขาฟังสิสักสานาทีแค่นั้นนะ่ะทุกวันนายโยมลองทําทุกวันนะ ม, ททนนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคำสัพพันธ์อยูอ๋ตมาถึงว่าถูกผิดเนี่ยโยมต้องวัดกันที่ตรงนี้เรากําลังถ่ายทอดกัลยาณวัตรของใครนะผู้เจ้าบอกเลยว่าความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุตรใดบุตรนั้นชื่อว่าบุตรคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลายอา น, อนุนเกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกาลยานวัตที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพูกสุดท้ายของเราเลยด้วยการที่จะไม่เป็นคนสุดท้ายโยมต้องหยิบยื่นข้อมูลนี้ให้กับลูกศิษย์ต่อไปเธอนี่พุทธวจนะจำไว้นะแล้วเธออย่าเป็นคนสุดท้ายก่อนเธอตายเธอต้องยืดต่อนะส่งไม้ต่อเธอจะได้ไม่เป็นคนสุดท้ายในคําสอนพระศาสดาอย่าให้คําสอนศาสดามันตกอยู่กับเราเป็นคนสุดท้ายในโลก อาจารย์นะผู้เจ้าฝากฝังไว้แล้วนี่เป็นวิธีการถ่ายทอดนะความตั้งมั่นของพระศัทธรรมนะที่ตัดไว้4ข้อ 1. บทพยัญชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูก 2. อภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นอย่างที่ 3. าภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงทํามทรงวินยัยทรงแม่บทมาติกาต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลาย เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสื่อทอดกันต่อๆไปอย่างที่4ีภิกษุต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปราบความเพี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะสข้อความตั้งมั่นพระสัทธรรมยมอยากให้ศาสนาเจริญไม่ต้องไปคิดเองอย่าไปคิดเองคิดตามผู้เจ้าเดินตามพอแล้วผู้เจ้าบอกไว้หมดแล้วเนี่ยเรามีบุคคลผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องบัญญัติไว้ทุกอย่างครอบคลุมแล้วเพียงแต่เข้าไปศึกษา และถ่ายทอดตรงๆอย่าเติมอย่าตัดคำของท่านให้นักเรียนได้ยินได้ฟังคำตรงๆเขาจะจำสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขากล่อขูทุกวันอาตมาฝึกพระมาประชุมหลังจากบรรยายมาแล้วพันกว่ารูปเนี่ยก็มีพระเข้ามาเพื่อจะศึกษาพุทธพจนะประมาณ100ยวัด300 w กว่ารูปในส่วนนั้นมี26วัดที่เข้ามาฝึกรุ่นที่หนึ่งผ่านไป ร้อเรลยล้างสมองได้หมดนะรุ่นที่2มาอีกนะเกือบห้าสิบวัดฮิวสไพ ย, ย่ามเครื่องล้างของของังเต็มไปหมดเลย10วันล้างสมองได้สละเครื่องล้างของขังหมดเลยบอกแม้อยากจะบวชใหม่ด้วยซ้ําทําผิดมาเยอะนะเพราะฉ น, นั้นพระเนี่ยไม่ทราบถ้าเขาทราบสําหรับคนที่มีความตั้งใจจะเปลี่ยนเขาจะได้เปลี่ยนได้เขาจะได้มีข้อมูลเราจะให้ข้อมูลหมดทั้งหนังสือทั้งอะไรต่ออะไร ลองไปดูที่ผุ้มเนยการโรงเรียนได้ได้ให้ดูเลยอย่างเนาะ <c oughs> เราเอาตำลาเล่มใหญ่ๆอย่างเนี้ยไปแจกให้เขาช่วงนั้นเพิ่งพิมพ์เสร็จพอดีนะก็แจกตำลาให้เขานะลองดูความเห็นของเขาว่ายังไงบ้างนะและเป็นมา ร, รมีขอเมตธีสันคดีไปที่เสถียรธรรมอา่ยะให้ผู้ริหารทุกท่านบรรดาข้าพทุทเจ้าและผู้ตกลั ท, ที่มาร่วรมอบมวันนี้ จะนำกนก็งมือไปกยายผลต่อผู้เรียนและเรื่อนผู้จารจ์มีหนังสือซีดีที่เราไปเจอผู้รัาสารวัตถุและจะเดินตามที่ระ ศ, ศาสดาประจั์และความต้องการของของาจารย์จุลินเราเริ่มได้แนวร่วมมาเรื่อยๆแล้วอย่งเรากำลังประกาศคำาศาสดาณวันนี้ยมจะเห็นว่าในประเทศไทยไม่มีหนังสือแบบนี้พุทธวจนะ โยงไปหาได้เลยในแผนหนังสือทั่วประเทศไทยนะมีแต่หนังสือสาวกอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยแต่หนังสือศาสดาตัวเองกลับไม่มีในประเทศเมืองพุทธเห็นไหมเพราะนั้นหนังสือตะมาจะมีแต่พุทธทวจนะเท่านั้นนะอยากแก้กรรมไหมไม่ต้องวิ่งไปนอนในโรงผ้าขาวคุมน้ําลดตัวอยู่ตรงนี้ครบถ้วนแล้วคําศาสดาอยู่ในนี้วิธีแก้กรรมนะถ้าต้องการแก้กรรมที่ถูกต้องมักมีองค์แวิธีเดียวเท่านั้น ผู้เจ้าตัสว่าอริยะอัตถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธขาม่มีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมนะอยู่บ้านนั่งเฉยเฉยรู้ลมหายใจเขาออกสบายๆนะอืต้องการสาธยายธรรมที่ถูกต้องนะอยากเป็นโสตบานรวมไว้ให้แล้ว51าสิในยะนะต้องการมัควิธีที่ง่ายมีให้แล้วอยากจเจริญอาณาปานาสติทั้ง32มสิสูตรทั้งชีวิตรวมไว้ให้แล้วพระศาสนาตรัสครบแล้วแค่นี้นะ นั้นต้องการแบบไหนยังไงเรารวบรวไมไว้ให้นะนี่เข้าไปศึกษาและแจกให้โยมวันนี้ซีดีแผ่นนี้มีหนังสือเราทุกเล่มในนี้นะโยมไปค้นคว้าได้พร้อมบาลีแสารัดพร้อมโปรแกรมในการสแกนนะคุ้มค่าแล้ววันนี้ได้ซีดีไปแผ่นก็คุ้มลวเชิญคำถามต่อนะมีมโยมเต๋อค่ะเป็นคำถามที่สองนะคะในอาชีพของครูเนี่ย สิ่งที่สำคัญคือการต้องมีเมตตาต่อสิทธิ์ uh huh. ทีนี้หลักธรรมของการมีเมตตาต่อสิทธ์ที่จะให้เป็นหลักธรรมในการจำที่ง่ายขอความอธิบายให้ oh. ท่านพระเจ้าอธิบายให้ชัดเจนอีก น, นิดนึงนะคะ <c oughs> หลักง่ายๆถ้าโยมถ้าโยมรู้จักในความเป็นอนิจจงมั่นคงตรงนี้เดี๋ยวความเมตตามาเอง สิทมันจะเถียงมันจะแยง่งมันจะอะไรก็ตามเนี่ยโยมจะคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหลักการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงเรียกสัจจานุรักษนานะตัดไว้กับภาระทวาชะจริงๆตรงเนี้ยนะถ้าโยมเป็นรัฐบาลนะโยมต้องเอาปิดไว้หน้าหัวหนังสือพิมพ์เลยหรือไม่ก็หน้าจอทีวีขึ้นนะพระสูตรนี้สั้นๆแค่นั้นเองบรรทัดเดียวอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เซพสื่อธรรมะเนี่ยจะทีวีหนังสือพิมพ์ไม่แน่นะมันไม่ใช่จริงเท่านั้นนะอ่าทุกคนจะมีความยังคิดมีสติขึ้นมาใช่ไหมอ่าพระเจ้าตัดไว้ว่ายังไงภารัธวชัชถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ทุกคนมีความเชื่ออย่างนี้ฉันเชื่ออย่างนี้นออนกวดน้ำเนี่ยถูกแน่เลยใช่อ่าดังนี้ เขาก็อย่าเพิ่ถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพระรัตวาชะด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แหลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้นะแต่ว่ายังไม่บรรลุความจริงนะการจะบรรลุความจริงพระเจ้าจะบอกไว้อีกสิขั้นตอนต้องมีศรัทธาเข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้เงี่ยบสงลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมนั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีสาหะผู้มีสาหะย่อมพิจารณาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมเห็นไหม น, ะนี่ถึงจะรู้ตามซึ่งเสด็จธรรมได้เพราะฉะนั้นโ <c oughs> ยมเอาธรรมะนี้เข้าไปสอนปั๊บนักเรียนจะเข้าใจเลยว่านักเรียนจะต้องมีการเข้ามาหาครูอาจารย์ไม่ใช่ครูอาจารย์ไปสแสวงหาสิทธิ์สิทธิ์ต้องสแสวงหาครูอาจารย์ หลักการผู้เจ้าตรัสไว้แล้วนั้นโยมต้องมีศรัทธาให้กับเขาหนึ่งคนที่คือฮีโร่เลยคือสัพพัญยูคือผู้รู้ทุกเรื่องว่าคนคนนี้พูดไม่มีผิดนะและเมื่อทุกคนเนี่ยศรัทธาในคนคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโยมจะแก้ปัญหาอะไรก็ได้นะโยมจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามผู้เจ้าเนี่ยตรัสไว้หมดแล้วทั่วโล ก, กท่านความรู้ของคนทั่วโลกเนี่ยผู้เจ้าบอกมนุษย์คิดอะไรผู้เจ้ารู้หมด มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกิน62สบแบบผู้เจ้าบอกเลยเทวดาพรมคิดอะไรสัตว์คิดอะไรผู้เจ้ารู้หมดนะผู้เจ้าบัญญัติเรียกทิฏฐิหกสมนุษย์คิดแค่นี้นะความเห็น63ไม่มีนะยมถ้าเป็นมนุษย์ยมจะคิดอยู่ในกรอบหกแบบนี้และผู้เจ้าจะบอกวิธีแก้ไ้หมดนะนั่นนี่คือความเป็นสัพพัญญูเราเนี่ยขาดการอ่าเข้าไป ดึงความรู้ของสัพพัญยูออกมาชใช่ไหมเนี่ยน่าเสียดายมากนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าตรากฎหมายเนี่ยเขาเอาคำพีอันคุรอ่านวางเอาไบเบิลวางตรารัฐธรรมนูญของประเทศไทยไม่เอาพุทธวจนะวางใช่ไหมอ่าถ้าเอาพูงความรู้ของผู้เจ้าวางประกบเข้าไปด้วยเนี่ยเราศึกษาตามนะว่าผู้เจ้าบัญญัติยังไงนะเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องไรต่อไรผู้เจ้ามีวิธีแก้หมดนะอ่าเป็นระดับของการตําหนิไม่ถูกลงโทษ นะโดยทางโลกอะไรอย่างนี้โหพุทธเจ้าแยบขายมากการจะแก้ปัญหานะการทะเลาะเบาแว้งการทํายังไงจอมเทพมาถามเอ๊ะทาไมยักษ์หน้าคนทนนสูนมนุษย์มันทะเลาะกันหมดเลยจะแก้ยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการทะเละาะพุทธเจ้าบอกอิสสาและมัชชลิยะอิจฉาและตะหมีทำสองอย่างนี้เป็นเหตุของการทะเลาะแล้วอิสามัชชลิยะเกิดมาจากอะไรสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเพราะเธอรักหรือไม่รักอะไร เดี๋ยวอิจฉาตนีจะเกิดขึ้นแล้วจะทะเลาะ ก, กันนั้นเราก็ต้องฝึกให้นักเรียนทำยังไงทำสมาธิวางจิตเป็นอุเบกขาทำสมาธิต้องเยอะไหมโยมให้พุทธวจนะไป3นาทีขอนั่งสมาธิอีก2นาทีพอรวมแล้ว5นาทีต่อวันเหลือเฟือแล้วโยมนะเด็กมันไปนั่งดูหนังดูละครเล่นเกมเพนะ์เจอร์น่ะเป็นชั่วโมงนะ่ะนะจับมา5นาที แบ่งสั่งสมสุตตาสามนาทีนั่งสมาธิสองนาทีวลาห้านาทีพอแล้วทำไมถึงบอกว่าพอก็หลักการผู้เจ้าอีกแหละพราะผู้เจ้าตัดว่าถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการพิงลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมางอแค่นี้ปั๊บเนี่ยเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาทของชาวแว่นแคว้นสิเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเราทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดี ฝึกคนไม่ต้องฝึกอะไรโยมฝึกจิตให้ดีแล้วเมตตามาเองการให้อภัยมาเองนะครูนักเรียนเหมือนกันเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะโยมต้องการฝึกครูให้ดีมีเมตตาต่อสิทธิจับครูมานั่งสมาธิทําจิตให้สงบละอภิชาและโทมนัสความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้นะอ่านะก็เมื่อเช้าคงได้ฟังจากหลายองค์กรไปแล้วนั่นะนะนะนะนะัองค์กรที่เราฝึกมาทั้งนั้นใช่ไหมเขาจะเห็นเลยว่า คนในองคอ์กรเข้าการลักเล็กขโมยน้อยหมดไปอะไรต่ออะไรคุณภาพคนมันดีขึ้นการทํางินมันก็ดีขึ้นนะแต่ละแผนกแทนที่แต่ก่อนมันทะเลาะกันเดี๋ยวนี้มันให้อภัยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมันจะมีความสมัครสมาสามัคคีพระเจ้าบอกเลยว่าถ้าธรรมะตรงนี้เข้าไปอยู่ในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นจะมีการมองดูกันแล ะ, และกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้นํานมกับน้ําสามัคคีจะเกิดขึ้นในองคอ์กรนั่นคือสุดยอดของอ ง, องคอ์กรแล้วอาจารย์ไหม อ่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> ค่ะมีคำถามอีกไหมคะขอคำสา ก, กับคำถามสุดท้ายนะครับพระคุณเจา้าอันนี้สงแห่งการเมตาตาสิทธิ์ที่ครูมีจะได้รับอะไรบ้างคะอ๋อขอบพระคุณคถ้ายมเมตตาต่อสิทธิ์สิจะมีความรู้สิสิทธิ์จะได้ความรู้นะหน้าที่ของอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทธิ์ต่ออาจารย์ลองไปดูที่หกก็ได้นะ หน้าที่ของครูต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์นะผู้เจ้าบอกสอนไม่หมดนะ อ, อย่างนี้ลูกศิษย์เนี่ยควรอะไรลุกขึ้นยินรับด้วยการยินเข้าไปคอยรับใช้นะด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปนิบัติด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพส่วนอาจารย์นั้นทำอย่างไรแนะนำดี ให้ศึกษาดีบอกศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงทําให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทําการคุ้มครองในทิฏฐั้งปวงนะนี่คือหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อสิทธิสิทธิ์ต่ออาจารย์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ในโลกเนี่ยผู้เจ้าวางไว้หมดบิดามารดาควรทายังไงต่อลูกลูกควรทํายังไงต่อบิดามารดานะนายต่อบ่าวบ่าวต่อนายสอนทุหบทเลยนะทิถงนี่มีประโยชน์มากต่อความเป็นคารวะ อยู่ในเรื่องของคารวาชันเลิดโยมลองไปหาดูได้นะนั้นตรงนี้การที่เรามีเมตตาต่อสิทธ์บอกสอนตรงถูกต้องในบทพันชนะในความรู้ที่เรามีนะโดยไม่ผิดเพี้ยนลูกศิษย์ก็จะได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ดีต่อไปเขาจะเป็นคนดีในสังคมนะเป็นคนมีคุณธรรมสังคมจะเข้มแข็งนะเราทาลายสังคมตรงนี้ให้อ่อนแอนี่มันก็เกิดปัญหา วกกลับมาที่ตัวเราอีกทีนั่นแหละนะะนั้นการการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างหนึ่งของผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปฆ่าจองจำขังในประเทศลิบรัพ์ไม่เกิดประโยชน์น ะ, ะมันจะไม่สงบนะคนที่รักญาติพี่น้องเขาจะลุกขึ้นมาเป็นเส้ น, น้นาหลักต่อของแผ่นดินต่อไปน ะ, ะนนวิธีในการแก้ผู้เจ้าบอกว่าให้ไปสนับสนุนคนดีนะ โยมต้องยกคนดีขึ้นมายกคนดีขึ้นมาสนับสนุนคนดีเช่นอย่างไรพระเจ้าบอกว่าพวกเกษตรกรโคลักขะกรรมต้องพระองค์ต้องประทานสัตว์ให้เขาประทานพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เขาสําหรับเกษตรกรที่ขยันนะพ่อค้าวานิชที่ขยันต้องพระราชทานทรัพย์ให้กับเขาให้เขาเป็นทุนรอนในการทำมาค้าขายข้าราชการที่ขยันขันแข็งนะ ต้องพระราชท า, านบีเลี้ยงเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้กับเขานะอะ่เพราะฉะนั้นผู้เจ้ามีวิธีแก้หมดเมื่อคนดีเติบโตขึ้นคนไม่ดีก็จะต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาวท่ามกลางคนดีเหมือนกันนะเหมือนพระสงฆ์ไม่มีผิดถ้าสงไม่ดีเติบใหญ่สงที่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาวท่ามกลางสง์ที่ไม่ดีเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงจึงต้องขยายคนดีนะเพราะฉะนั้นการที่โยมมีเมตตากับลูกศิษย์จะทําให้ คนดีเพิ่มขึ้นในสังคมนะและทําให้สังคมมันดีขึ้นนะเห็นดีข้างหลังใช่ไหมยมติวนะค่ะเดี๋ยวขอปอาจารย์ข้างหน้าก่อนได้ไหมคะพยกมือก่อนขอท่านโทษนะคะอาจารย์จะอยู่อีกนานค่ะกราบอุปสมการพระคุณเจ้าค่ะเมอกี้พระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องการสวดมนต์ค่ะแลนนี้ที่เราเป็นคารวาสเราสวดมนเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากทราบว่าเราจะสวดบนมดใดสวดบนแค่บทใดเท่านั้นแหละค่ะ เพ่าบางทีสวดมนต์สวดเยอะแยะเลยอทั้งคาถาทั้งอะไรเยอะแยะหมดเลยจนไม่รู้เฮ้ยอะไรเนี่ยชมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเราจะสวดแค่ไหนเพื่อระ้ลึกแล้วก็ได้ไปถึงแค่นั้นเอาหลักการสวดมนต์ก่อนนะมันสวดทําอะไรใช่ไหมแล้วจะสวดอะไรพระเจ้าบอกไว้แล้วนะไม่ต้องคิดเองอีกแค็นไหมพระเจ้าเนี่ยละเอียดรอบข้อหมดเลยยอมบอกหลักการวิธีอะไรต่ออะไรทุกอย่างนะ หลักการในการสาธยายธรรมเจ็ดพศูดนะมีอะไรบ้างนี่หเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราห่างเหินจากการสาธยายบาลีใช้คําว่าสัจชายะสัจชายะคือการพูดด้วยคําพูดออกมานะเป็นคําศาสดาเพราะนั้นถ้าเราห่างเหินเนี่ยมันจะลืมมันจะทรงจําไม่ได้ความตั้งมั่นก็จะไม่มีนะ 2เป็นทําเครื่องให้ถึงวิมุตติ3เป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรสี่เป็นองค์ประกรอบของการเป็นบริษัทที่เลิศห้าทำให้ไม่เป็นมูลทิน6เป็นบริหารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียน7เป็นเหตุรักความง่วงได้นะเพราะฉะนั้น เ, เห็นนะเจ็ข้อไม่ต้องไปคิดเองนะเนาะรักความง่วงได้ด้วยจัดไว้กับพระโมคฆลนะมี8ข้อเวลาน่วงเนี่ยโยม น้ำรูปหน้าตาดูดาวมองแสงสว่างนะสาธยายธรรมนะไปเดินจงกรมหรือว่าถ้าแก้ด้วยทุกวิธีแล้วไม่ได้ไปนอนวิธีที่8ดนะอย่าเพิ่งใช้วิธีที่แก่อนน ะ, ะนะท่านี้สาธยายธรรมที่เป็นเปเพื่อวิมุติเนี่ยโยมจะต้องสาธยายคำศาสนาก่อนอันดับแรกเนี่ยชาวพุทธก็ผิดกันข้อประเทศแล้วเพราะไปสาธยายสาวกภาสิตาคาที่สาวกภาสิตขึ้น นั้นบทสวดต่างๆที่เราสวดณวันนี้ยมใครตรวจไหมว่าเป็นคําตถาคตปาสิทธิ์หรือว่าสาวกภาสิตาเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราถึงต้องทําใหม่เงินเริ่มทําใหม่กลับไปหาพุทธวจนะกลับไปสู่หลักการของพระองค์นะ <c oughs> <c oughs> เมื่อใช้คําพระเจ้าแล้วต้องยังไงเข้าใจเข้าใจแล้วยังไงต้องเกิดปิติปิติจากความเข้าใจนะไม่ใช่ปิติจากเสียงนะ ออ่โยมฟังเสียงสวดมนต์โอ้โหเพราะจังเลยอ่าสวดดัดีอันนี้ปิติจากเสียงนะไม่ได้ปิติจากความเข้าใจโยมต้องเข้าใจรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงอ่าทราบซึ้งในตรงนั้นเออใช่นะรูปเราแตกสลายคนนี้ตายคนนั้นตายเกิดความสลดสังเวชใจปิติใจนี่เป็นปิติจากการความเข้าใจเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้คือการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวินุดเห็นไหมนั้นสาธยายอย่างเดียวก็ เข้าถึงวิมุติได้นะอ่าล่ะเรารู้หลักการแล้วตอนนั้นเราก็ต้องกลับมาทีนี้เรามาดูว่าพระพุทธเจ้าสวดอะไรพุทธเจ้าสวดอิทัปปัจจยาตาปฏิจจสุบารอิทัปปัจยาตาสีบรรทัดเองโยเราไปนั่งสวดลายกันชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมสีบ่บรรทัดอิมัสมิงสตีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุ ป, ปาทาอิทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติทางนั่งโหติ เ, เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่ไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปน้ําบุญสวดได้ใช่ไหมน้ําบุญยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่น้ําบุญก็สวดได้เจเดนก็สวดได้เจเดนสวดเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยเราใช้หลักการตรงนี้แล้วก็ปฏิจจสุบาทคือลําดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตาย เพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาว่าความตายเนี่ยเกิดมาได้เพราะอย่างนี้ลําดับอย่างนี้ทำทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุอตโยมความตายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทำนั้นจะดับด้วยคือถ้าเหตุของความตายดับไปความตายจะไม่มีนั้นวิธีแก้ความตายคือเข้าไปดับที่เหตุเหตุคือชาติชาติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีสถานที่เกิดคือพบพมีเพราะอะไรเพราะเธอไปยึด มีเพราะเธออยากอยากมีเพราะเธอพอใจพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสสัมผัสมีเพราะมีอายจตนะอายจตนามีเพราะมีนามลูกนามลูกมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้นามลูกทั้งหมดมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้แก้ความไม่รู้อย่างเดียวหลุบพ้นเลยนะโยงเวดตรงนี้แล้วนักเรียนเวดตรงนี้ผู้เจ้าบอกนี้คือเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัตยธรรมนี้คือธรรมะที่อนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์พรมจันทร์ เป็นไปพร้อมเพื่อความไม่ตายธรรมะนี้คือปฏิจจสุบาทและการฉลาดใน อ, อายจตนะปฏิจจสุปาทกุศลตาอายจตนะกุศลตาทำสองอย่างนี้อนุเคราะห์โลกมนุษย์เทวดาทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระศธรรมด้วย น, นั้นทุกอย่างจะดีมาหมดเลยและผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทิผู้เจ้าบอกผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมและธรรมะตรงนี้ยังเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลด้วย พระอริบุคคลจะต้องเห็นปฏิจจสุบาทรู้จักปฏิจจสุบาทเห็นนะประโยชน์หลายอย่างนั้นอย่าเทียบเลยเห็นนะไม่งั้นผู้เจ้าไม่นำสวดเองหรอกใช่ไหมผู้เจ้าไปนั่งในที่วิเวกหลีเล้นผู้เดียวผู้เจ้าสวดตรงนี้มีพิสุมายืนแอบฟังเสร็จแล้วผู้เจ้าสวดเสร็จก็เลยบอกว่าพิกสุเธอได้ยินแล้วใช่ไหมเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์เห็นนะนะอย่างนี้ ท่านอาจารย์ด้านหลังค่ะครับกราบน้อมสักการณท่านพระคุทเจ้าครับออืผมก็มีคําถามที่สงสัยอยู่สองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะจะเรียนถามก็คือว่าการศึกษาบาลีบาลีแล้วก็ปริยัติธรรมที่มีการศึกษาจากปรฐมีดกอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะที่มีประเดธรรมอะไรต่างๆอ๋อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพุทธวจนะหรือไม่อย่างไงครับไม่ใช่เลยเยอะนะ นักธรรมตรีโทเอกประเรียน1่ถึงเเนี่ยไปศึกษาอัตถกถาคือศึกษาคําที่แต่งขึ้นใหม่หรือสาวกภาสิตานี่เป็นความพลาดนะในการศึกษานะในระบบของสงฆ์ของเราทําให้เราเนี่ยไม่รู้จักพุทธวจนะคือประเด็นคืออย่างนี้บาลีสยามรัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะที่ประเทศไทยถืออยู่เนี่ยมันจะมีสองส่วนโยมนะส่วนหนึ่งคือคําศาสดาส่วนหนึ่งคือคําที่แต่งขึ้นใหม่ นี่คือปัญหาณนะนะวันนี้ประเรียน 1-9 นถึงเกานักทำตีโถเองไปเรียนส่วนที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ได้เรียนพุทธวจนะนี่แหละนะและวัดสายปฏิบัติก็ไม่ศึกษากลุ่มนี้เลยเพราะบอกมองว่าเป็นนักปริยัตินะแต่จริงๆคำศาสดาตัวเองกลับไม่รู้แต่ไปนั่งอ่านคำของครูอาจารย์ก็เป็นใหญ่เป็นตั้งๆอย่างนี้เหมือนกันเพราะครูอาจารย์เทศมายาปีหนังสือก็เป็นตั้งสูงเทียบเหมือนกัน อ่านตรงนั้นบอกนักปฏิบัติอ่านของผู้เจ้าบอกเป็นนักปริยัติหลักการเพี้ยนไปแล้วเห็นน ะ, ะหลักการผิดเพี้ยนกลายเป็นว่าพระปริยัติก็หนีคำผู้เจ้าเพราะไปศึกษาอัตถกถาคําที่แต่งขึ้นหมายสาวกภาสิตาพระปฏิบัติก็ไม่ศึกษาคำผู้เจ้าหนีจากคำผู้เจ้าไปศึกษาคำอาจารย์ตัวเองนี่ตกลงแล้วคำผู้เจ้าไม่มีใครได้ไปศึกษา จะตรงอย่างที่พูะเจ้าตรัสไว้เลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายนาคตจะมีพิสุไม่สนใจคำตถาคตเป็นอย่างนี้ตรงเป๊ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้วิเคราะห์กันไม่ออกนะน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากถ้าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินช่วยแก้ด้วยนะช่วยแก้ด้วย <laughs> ประเด็นที่สองพระเจ้าได้ทรงมีพุทธสุภาษิตไวหรือไม่ครับอ่ามีโดยตรงเลยคือพระ อ, องค์บอกว่า เนี่ยอย่างในแผ่นพับนี้ถ้าโยมอ่านนะรลวงบอกว่าสุตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลาดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่จะรู้ทั่วถึงและจักไม่สาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ่าเรียน ยมถามตรงประเด็นมากอัตมาอยากบอกพระสูตรนี้มากแล้วท่านก็ตัดกลับกันว่าส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อ <c oughs> มีผู้นําสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตพื่อรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระสูตรนี้พระเจ้าพูดพลิกกลับไปกลับมาหลายเรื่องอันนี้เป็นมูลเหตุของ ภยัย5ประการที่จะเกิดขึ้นในนาขศตซึ่งนี้เป็นมูลกรณีที่4นะว่าภิกษุจะไม่สนใจคำตถาคตแต่ไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่และพระสูตรอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของกลองศึกของกษัตริย์ทศลาะหะบอกกษัตริย์ทศลาะหะเนี่ยมีกลองอยู่ตีไปตีไปในทีสุดก็แตกเมื่อแตกกษัตริย์ทศลาะหะก็หาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นผู้เจ้าก็ไล่เลยว่าสุดตัณตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งใหม่คําร้อยกรองคําของสาวกพิกษจน์เข้าไปสนใจเข้าไปฟังนะแต่คําตถาคตเขาไม่ฟังนี่คือความอันตรธานของคําตถาคตส่วนพระสูตรที่สที่สอดรับกันคือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตั้งชื่อให้ว่าคนที่ไปศึกษาคำต์คาสาวกหรือคําที่แต่งขึ้นใหม่เนะนะ จะเรียกว่าเป็นบริษัทที่ไม่เลิศบริษัทที่ไม่เลิศนี่เป็นสำนวนท่านผูทนนะ้ท่านนะแต่ถ้าในสำนวนของบาลีสมรัฐน์เขาจะใช้คําว่าบริษัทที่ดื้อด้านนะหนักเข้าไปอีกนะเห็นไหมสมัยรชัชกาลที่หพระยุคนั้นใช้สำนวนอย่างนี้ส่วนบริษัทที่ศึกษาแต่คําตถาคตจะเรียกว่าบริษัทที่ไม่ดื้อด้านหรือบริษัทที่เลิศซึ่งมีชื่อว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุ ก, กาจิตวินีตา บริษัทที่ศึกษาแต่คําตถาคตไม่ศึกษาคําของสาวกภาสิตานี่สามพระสูตรสอดรับกันเลยและนี่คือหลักการว่าคําใดเป็นคําพระตะถาคตให้สังเกตว่าคํานั้นเนี่ยจะมีการสอดรับกันในทุกๆพระสูตรเพราะพระเจ้าจะพูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ํานี่คือหลักของพระเจ้าที่ไม่เหมือนใครในโลกเพราะนั้นเวลาโยมอ่านคำสัสดาเวลาเจอคําพูดซ้ําอย่าเพิ่งเบื่อมันเป็นหลักการของสัพพัญญูที่จะต้องป้องกันความเสื่อมของคําของท่านเอง อีกเป็นพันๆปีเข้าใจไหมนี่อย่างกรณีทุพสิทธิ์ที่บอกอย่างเช่นอัตตาอิอัตโนนาโถนี่ก็ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับ เ, เดี๋ยวจะให้อวุโสมาคีอัตตาหิ ต, ตโนนาโถ ว, ว่ามีไหมนะเราปุ๊บกดวินาทีเดียวจะขึ้นมาเลยว่ามีไหมบางทีหลายๆอย่างนะทีะ่เราจำไว้บางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะ อ, อัตตาหิ อัตโนนาโถอัตโนนาโถนะอ่ากดค้นหาไม่พบถ้าคำนี้จริงๆเนี่ยไม่พบนะอ่าเราลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดนะอืมนี้เราลองเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นมเปลี่ยนเป็นอมาหม่งขุดหมาจุฬาอะไรอย่างนี้นะอ่าไม่มีอีกนะ อนะลองแยก อ, อ, อัตตะ อ, อ, อัตตาหิอย่างเดียวก็ไม่มีลองแยกอัตโนนาโถเป็นอัตตะแล้วก็โนนาโถแยกอีกคำหนึ่งก็ได้เนี่ยเวลาโยมสืหาคำให้พลิกคีย์เวิร์ดพลิกไปพลิกมาพิกไปพิกมาเนั้นถ้าเขาเขียนติดกันอย่างนี้ก็คือจะไม่มีตัวนี้นะนะ อัตโนนาโถลองแยกอัตตะกนโนนาโถออกจากกันสิไม่พบอีกเหมือนกันน ะ, ะแยกโนออกไปอีกน ะ, อ, ะนออกมาแล้วทันีีเวลาออกมาปั๊บเราก็ดูว่าคำที่ออกมาเนี่ยเป็น สาวกภาสิตาหรือตถาคตภาสิต า, านะปรากฏว่ า, นะามันอยู่ในนี้โอ้มันกระจายคำให้เนาะเพราะนั้นเรียงกันอตนัตโนนาโถอัตตาอ่ า, อ า, อามาตรงนี้ละอัตตาหิอตัตโนนาโถลักษณะนี้จะเป็นคำที่จะถูกแต่งขึ้นนะอลองไปดูบาลีสามลัตเทียัผข้อที่ยบสองเท่ากันนะเราลองไล่ หัวข้อ น, อนี่หัวข้อที่ยีบสองเท่ากันคาถาธรรมบทนะไม่ใช่ละเพราะนั้นคาถาธรรมบทจะเป็นสาวกภาสิตาสัก 80-90% นะจะเป็นของพูุ้ทธเจ้าซะไม่ไม่เท่าไหร่นิดเดียวเพราะนั้นคำลักษณะของคำที่ลอยๆขึ้นมาอย่างนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้านั้นถึงบอกน นักทำตีโทเอกประเด็นหถึงเก้าเขาเรียนในนี้เหมือนกันนะแต่เขาไปเรียนในส่วนอัถกถาสาวกภาสิตาที่แต่งขึ้นใหม่นี่เป็นอย่างนี้ น, นะคำนี้เราก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่หลักการของผู้เจ้าตรงนี้คืออะไรถ้าคําตัดนี้จะอยู่ในพสัสตรที่ผู้เจ้าตัดกับพระนลว่าอ น, อนนลในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจากักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่พระตถาคตให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะสองอย่างตนแล้วก็ธรรมะนะัอย่างนี้คําถามต่อไปก็ก็คือในมงคลสาสิบแปดเรื่องของความเชื่อทั้งหลายสามประการอืจะกัดกับพุท ธ, ธวจนะหรือไม่ครับตัวงค ท, ที่ให้้เชื่อในพระตถาคตคือคําสอนของพระองค์อ๋อ มงคล38เนี่ยเป็นพุทธพจนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรจะยกกาละมัสูตรขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะยกกาละมสูตรว่าเออตกลงแล้วเนี่ยผู้เจ้าไม่ให้เชื่อแล้วทาไมจะต้องให้เชื่อผู้เจ้านะแต่จริงๆแล้วในหลักการละมสูตรนะหรือมงคลต่างๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อพระพุทธเจ้านะและจะมีพระสูตรที่บอกให้เชื่อพระเจ้าไว้ด้วยนะต้องเชื่อพระเจ้าก่อนต้องมีศรัทธาก่อน นั้นในกาลามสูตรเนี่ยมักจะเข้าใจผิดกันกาลามสูตรข้อที่10เรามักจะยกข้อที่10กันว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้ผู้เป็นครูของตนและมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าคิดว่าเป็นตถาคตแล้วเชื่อไม่ใช่บาลีใช้คำว่าสมโนโนคัุอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้ผู้เป็นครูของตนนะสมโนโนคุุก็คือครูสมโนคือสมณะอย่างนี้และไปดูลองไปดูพระสูตรที่พระเจ้าให้เชื่อ ให้เชื่อคําของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดเนี่ยเห็นว่าคําของตถาคตเนี่ยควรเชื่อควรฟังข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยตลอดการเลยนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นพระองค์ยืนยันเลยว่าพระองค์เนี่ยฉลาดนะเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารมารคือความตายฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตายเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของลิตยู ขณะต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมนิตย์อยู่ชนเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อ น, นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานและจะมีอีกประสูตรหนึ่งเหมือนกันบอกถ้าเธอยังไม่เข้าใจในคำตถาคตเนี่ยขอให้เธอเพียงมีศรัทธาในตถาคตไว้ก่อนนะแค่นั้นก็พอแล้วนะ อ, อคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะยังมีคาถามอีกไหมคะ เ่นใดจะถามอ <นะ S 1> าจารย์คะครูครูยุคใหม่ต้องวัดกันที่ข้อมูลนะยองต้องวูกันที่ข้อมูลใช่ค่ะไม่งั้นโดนลูกศิษย์ต้อนตายเลยนะค่ะวันนี้ก็มีคำถามทางดูอ๋อที่นี้เป็นน้องเจ ด, ด้าน้องเจ ด, ด้ามาข้างหน้าดีว่าค่ะตัวเล็กๆปฏิว่าอ่าเจนข้างหน้าเลยคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันอ๋อเหรอคะทำไม น้องจนด้าสวยแบบสาวไทยเลยอคล่องภาษาอังกฤษไปหมดเลยนะใช่ค่ะน้องเจนด้าจะมาทําอะไรคะมาท่องพระสูตรค่ะพระสูตรอะไรคะมเมื่อเธอไม่มีค่ะช่วยกูท่องให้ไปจานฟังมีหันหน้าไปทางนู้นเลยค่ะเจะดนดาอยูทางโน้นเลย คาเหีย้ยเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นริมรถสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าโดมริ้มสัมผัส uh huh. ได้รู้แจ้งธรรมอารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มี เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏแล้วว่าเห็นโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละมีภาษาอังกฤษไหมไม่มีค่ะแต่แต่ขอถามว่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็คือไม่มีความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรถ้ามีอะไรมันก็จะทุกข์เพราะสิ่งที่มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องไม่มีอะไรเลย นั้นพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่ทําให้พายะเนี่ยหลุดพ้นพายะเป็นสาวกที่หลุดพ้นเร็วที่สุดนะด้วยพระสูตรสั้นๆแค่นี้คือสักแต่ว่ารู้นะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรมาสักแต่ว่าปล่อยปล่อยปล่อ ย, ล, อยละนันทิตตลอดเลยพูะเจ้าบอกทาแค่นี้ตัวตนเราจะไม่มีและตัวตนเราจะไม่ไปเกิดในที่ใดๆทั้งสิน้นก็คือเข้าสู่สุญญตาทันที ขอบคุณค่ะอ่าเป็นอย่างมันแค่นี้เหรอคะค่ะอ๋อตอนนี้เท่านี้ก่อนนะคะยังมีผลใหม่นะคะถ้าอาจารย์เขาดูกวุถามนิดนึงคะตัวเองนี่ก็สงสัยอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยอ่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาศึกษาแต่ว่าท่องได้อืในฐานะที่ถ้าอาจารย์เนี่ยรู้สึกเขาจะไปฟังธรรมท่านอาจารย์ตลอดใช่ไหมคะใช่ถ้าอาจารย์พอจะเล่าให้ท่านนักหมายเนี่ยฟังให้หายสงสัยเหมือนอย่างที่ดิฉันเข้าใจ ก็สงสัยอยู่ได้ไหมคะสำหรับเยาวชนสองท่านนี้ก็จะมีแง่มุมในการถามหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าเออเขาเขารู้สึกว่าสงสัยในแง่มุมที่มันเป็นประโยชน์อะแล้วมันเป็นแง่มุมธรร ม, ม ะ, ะเขาต้องปฏิจจติได้ก็ถามพบคืออะไราชาติคืออะไรแล้วเราก็จะอธิบายไปนะเขาถามว่าผู้เจ้าบอกว่าสิ่งอัศจรรย์ ความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเวทนาสัญญาวิตตเกิดขึ้นตั้งอยู่เดียวเขาถามว่ามันอัศจรรย์ยังไง <c oughs> อย่างเงี้ยก็เราก็ตอบได้คือทําให้มันเข้าถึงความไม่ตายไงพระเจ้าจึงบอกเนี่แหละมันคือความอัศจรรย์ที่แท้จรงิงเนี่ยเขามีมุมถามที่ดีหรือว่ า, เ, าเขาบอกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมเออมันจะทําได้ยัางไงานะเรายกพระสูตรขึ้นมาแล้วเขาก็ถามว่าทําไมเหมือนกับว่าเออลัตนาทั้ง7เนี่ยมัน มันไม่ดีกว่าหรอกับการที่ว่ามารรมัปรปการนะที่จะ<ม>เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเนี้ยค่เามีมุมมาลัยหลายๆอย่างทำให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านความคิดนะและคำผู้เจ้าอย่าลืมว่ามันสอดรับกันเด็กยิ่งทรงจำได้มากจะเริ่มรู้เลยว่าคำพู้เจ้าเนี่ยลิงก์กันหมดนะจะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการทางสมองของเขาอาตมาว่านะค่เท่ากับ <ๆ S 1> ว่า <c oughs> ถ้าอจาย์กลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ท่องได้อย่างเดียวแต่เขามีคำถามและเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะตามแบบเด็กๆก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้อีกอย่างนะคะว่าคืหารื่มหัศจรรย์นะคะเราเป็นผู้ใหญ่ฟังติตาลอยแล้วนะคะโอ้โหไล่ตะคุปแล้วก็งงค่ะเดี๋ยวก็บริษัทโน้นบริษัทนี้ค่ะอย่างน้องปังปอนเนี่ยใช่ไหมพอน้องปังปอนเห็นน้องน้าวุ้นท่องน้องปังปอนก็ไปท่องบ้าง แม่ก็ให้น้องปังปอนเนี่ยฟังตั้งแต่หขวบถึงแดขวบแม่ก็นึกว่าไม่ได้อะไรแต่พอแปดขวบม่อยู่วันหนึ่งแม่พาปังปอนนั่งรถไปด้วยเจอพระโบกรถนะแล้วเสร็จแล้วพระก็ขอเงินนะแม่ก็เลยให้องนุนไปพวงหนึ่งก็ขับรถต่อไปปังปอนถามแม่ว่าแม่แม่สนับสนุนพระที่ทำผิดวินัยนะแม่ไม่บาปหรอเพราะพระรับเงินไม่ได้นะ แม่ก็บอกนี่ไงแม่เลยไม่ส่งเงินให้แม่ก็เลยให้องุ่นไปพวงหนึ่งก็ปังปอนรู้แล้วเลยไม่ห้ามแม่เพราะผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานพู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรโอ้โหเป็นช็อตๆเลยนะถ้าเด็กวิเคราะห์ได้เอามาใช้ได้อ่ะแล้วพอนั่งรถไปในเมืองเห็นภาคกฎ ATM แม่กูเป็นโคโยมอาจจะไม่ทราบว่ากูเป็นโคคืออะไรมันอยู่ในพระสูตรที่ปังปอนเนี่ยฟังทุกวันใช่ไหมปังปอนพระพุทธเจ้าว่าพิสูว่าเหมือน ลาที่เดินตามฝูงโคนะตรงนี้บอกว่าลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังแม้จะร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคดังนี้ก็ตามทีสีของมันก็อาจเป็นโคไปได้ไหมเสียงของมันก็อาจเป็นโคไปได้ไหมเท้าของมันก็อาจเป็นโคไปได้ไหมมันก็ได้แต่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังข้างังร้องเอาเองว่ากูเป็นโคกูเป็นโคดังนี้ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะแม้จะเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังร้องประกาศอยู่ว่าข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุดังนี้ก็ตามที แต่ความใกล้ในการประพฤติศีลสิกขาของเธอจิตตสิกขาปัญญาสิกขาไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายนะพิสุรูปนั้นได้เดินตามหมู่พิสุไปข้างหลังร้องประกาศเอาเองว่าข้าก็เป็นพิสุข้าก็เป็นพิสุดังนี้เท่านั้นเห็นไหมตังปอนฟังและพอเห็นพระกฎาตีมบอกกูเป็นโคน่ามยกมาได้หมดเลยโยมเด็กเข้าใจนะเด็กเข้าใจอันเนี้ยฉั้นเราไม่ประมาทความรู้ของเด็กนาะค่ะ ก็อบอกว่าน้ําบางปอนนี่เป็นเด็กผู้ชายนะคะดิฉันเคยพบเคยเห็นเขาถามพระอาจารย์อยู่ใต้ทุนสลา <Yeah. S 1> แล้วเราก็เลยบอกว่าเออขอมาออดทีวีหน่อยได้ไหมแต่ด้วยความที่มันคลาดเคลื่อนกันด้วยเวลานะคะยังไม่สามารถนําออดทีวีได้สักทีสะท้อนนี่เห็นว่าท่านบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกติดลูกนะคะไปศึกษาธรรมะไม่ไหวทิ้งลูกไม่ได้เอาลูกไปเลยนะคะ อาจจะได้เห็นความมหัศจรรย์ในลูกของเราก็ได้นวลท่านอาจารย์ต่อเลยค่ะมีท่านใดจะถามคําถามไหมคะตอนนี้เราก็สร้างเยาวชนได้30 40คนนะอ๋อเหรอคะที่ท่องพระสูตรได้เนี่ยน ะ, ะหลายคนแล้วก็ค่อยๆขยายไปเขาก็ดูวิดีโออย่างเนี้ยน ะ, ะนด D วดีเนี่ยแล้วเขาเด็กก็ทําตามกันเห็นสนุกนะท่าอาจารย์ค ะ, ะคือดิฉันเพิ่งได้รับคําแนะนําเมื่อวานนี้เองเขาอนุญาตพูดในสถานศึกษา <c oughs> ไม่ได้ว่าเป็นใครพูดแต่บอกว่าคุงสรนีพ่อแน่จริงอ่ะทาให้เด็กน่ะมาแข่งกันท่องพุทธวจนะสิเขาไม่ใช่คนเข้าวัดนะคะแต่เขาบอกว่าเขารําคาญตาม่าเหลือเกินกับการที่เห็นเด็กไทยแข่งแต่ร้องเพลงร้องเพลงอันนี้ก็น่าสนใจก็ได้มาแล้วสองสารอบอ๋อค่ะเหะก็คืออย่างอาสารหาที่แล้ววิสาขาที่แล้วเราก็ประชุมเยาวชนเนี่ยรุ่นจิ๋วเนี่ยเจดปดขวบนะเ้าขวบ10ขวบนะ มาท่องพุทธวจนะกันเนี่ยพอดีไม่ได้ไม่ได้เอามาเยอะนะนั้นอย่างในวันวิสาขะหรืออะไรเนี่ยเราก็กลัวเวลามันจะเดินนานไปเราก็เลยเอามาแต่จํานวนหนึ่งะนะแต่คนที่รอจะท่องเนี่ยเรายังไม่ได้ท่องต่อหน้าสาธารณะอย่างอีกเยอะเหมือนกันโอ้ค้างไวนะ้เทาพรรษาหรือว่าเออออกพรรษาหรือท่อดกระถินม่มีมไหมคะอาจารย์มาแถมให้ได้ <laughs> <laughs> ไหคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องคําถามมีท่านใดจะถามไหมคะ นีค่ะท่านสุภาพบุรุษอาจารย์ใสแว่นทางนู้นค่ะกลบาุทธการบรงคุณเจ้าแล้วครับท่านผู้นิการแล้วก็รองผู้นิการทาลคุณท่านนะครับผ ม, มสังเกตนะครับตามวัดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะนิมนต์พระไปเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมาจักรกัปปะทนาสูตรนะฮะ บางวัดก็จะอ่านว่าธรรมจักกับวัดาวดนานะวัดดานะนะครับวัดดนะสุก็มีบางวัดส่วนใหญ่เนี่ยในเกาะบางกระเจ้าของผมเนี่ยจะมีวัดเดียวที่สวดได้ อ, อบ้านผมก็จะชอบนิมนต์ไปแล้วก็จ ะ, จะเจริญพุทโธนในบทเนี้ยอ่ก็คุณเท่าคนแก่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านใดเนี่ยนิมนต์พระไปจะเจริญพุทโธนบทนี้แล้วจะได้บุญได้กุศลเทวดาจะมานั่งฟังเยอะผมก็ไม่ทราวบว่า จ, จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับ แต่เมื่อไปลองท่องดูผมก็เป็นคนหนึ่งที่สวดได้ในบทนี้ครับตรวจดูในนี้นะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของมัชชิมามรุกองแปดแล้วก็อริยสัจสีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ยหรือเรียกว่าหลักของไตรลักษณ์เนี่ยไม่ทราบว่าทั้งหมดเนี้จะเป็นพุทธวัฒน์หรือเปล่าของของสมเด็จพระสมมาตุพระเจ้านะครับทีนี้นี่ข้อที่หนึ่งครอันนี้ใช่ตอบได้เลยว่าใช่ แต่ทีนี้ผมผมดูแล้วนะฮะท่านอาจารย์น ะ, ะคือได้นั่งฟังแล้วก็หลับบ้างตื่นบ้าง จ, จริงๆก็นั่งสมาธิเพื่อนก็แแซวว่าผมนั่งหลับก<ะ> <laughs> ็คือว่าได้ตรวจดูแล้วเนี่ยน่าน่าจะเป็นว่าอัตตกถาชานเนี่ยท่านท่านมาเขียนเพิ่มเติมเอาไว้ส่วนว่าในเนื้อหาหลักๆในธรรมจักรเนี่ยที่มีอยู่ไม่กี่บรรพัด น, นะฮะ<า>เป็นเป็นของพระองค์แน่นอนนะฮะคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็คือว่าในเมื่อมีพุทธวัฒนะแล้วเนี่ยอน่าจะมี การรวบรวมพุทธะเรียกว่าอาวัจนะด้วยไม่ทราบว่าจะมีไหมเพราะว่าขนาดพระพุทธรูปเนี่ยก็ยังมีแบบเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์นะครับที่เอามาหล่อเป็นพระพุทธรูปแล้วบอกว่าอันนี้เป็นปางเทศนาหรือคือดูจากรูปลักษณ์เนี่ยไม่ทราบว่ามีมีมหนังสือรวบรวมเกี่ยวกับอวัจนะไว้หรือเปล่าครับอ๋อในโลกนี้ไม่มีกําลังทําอยู่นี่คือตัวนี้นะเพราะออนั้น บาลีสยามรัฐเนี่ยนะมีพุทธวจนะทั้งหมดอยู่ในนี้นะแล้วก็มีคำแต่งใหม่ด้วยเพราะนั้นท่านพุทธทาสเนี่ยเคยทำมารอบหนึ่งแล้วท่านพุทธทาสเนี่ยทำมานังสือนังสือจากพระโอษฐ่าเล่มตัวนี้นะ <c oughs> นี่จากพระโอษฐ์นะห้าเล่มที่ท่านพุทธทาสทำเอาไว้ท่านก็ดึงพุทธวจนะจากบาลีสยามรัฐเหมือนกัน นะออกมาได้ห้าเล่มชีวิตท่านยีบสอปีทําได้ห้าเล่มเพราะว่ามันยากเหมือนกันกว่าจะดึงมาได้มันกระจายอยู่ใน45้าเล่มของบาลีสามรัฐซึ่งท่านต้องแยกอันไหนเป็นสาวกพาษิตอันไหนเป็นตถาคตภาษิตพอแยกมาแล้วในตถาคตภาสิตที่เป็นอริยสัจสีค่อยดึงออกมาเพราะท่านเห็นความสําคัญของอริยสัจสี่ก่อนเพื่อนนะเพราะนั้นท่านพุทธาธใช้เวลายีบสอปีทำห้าเล่ม เรามาศึกษาในห้าเล่มของท่านผู้ทาดเก็บประเด็นได้อีกว่าผู้เจ้าให้ศึกษาแต่คำโพร่งเท่านั้นจึงต่อยอดตรงนี้ทำทั้งหมดทั้งชีวิตว่าพระตถาคตตรัดไว้เท่านี้33เล่มนะเพราะนั้นจริงๆแล้วคำผู้เจ้าทั้งชีวิตมีประมาณนี้33เล่มนะโชคดีที่ยุคนี้มีคอมพิวเตอร์และเรามีกลุ่มอาสาสมัครเป็นร้อยคนก็จึงสามารถทาตรงนี้ขึ้นมาได้และตรงนี้ ก็จะมีบาลีหน้าต่อหน้าหน้าซ้ายบาลีหน้าขวาภาษาไทยนะบาลีไทยบาลีไทยให้โยมตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีและถ้าทาเสร็จแล้วจะเอาขึ้นเว็บนะเอาเข้าในแผ่นซีดีแล้วก็ให้ก๊อปกันตามสะดวกนะคำพุทธเจ้าเป็นสิทธิของทุกคนในโลกนะที่จะรู้ได้และ <c oughs> เราก็ทำมาย่อยเป็นเล่มเล็กๆตรงนี้นะอ่าดึงมาเป็นหมวดหมวดของธรรม นั้นกำลังทำอยู่นะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะรอสักพัดหนึ่งเนาะค่ะคุณครูไม่ค่อยมีปัญหาหรอคะจะถามว่ามีปัญหาเปล่าก็เดี๋ยวจะหาวาหาเรื่องให้อย่างอย่างโยมที่เขาถามเมื่อสักครู่นี้เห็นอีกประเด็นหนึ่งโยมพูดเรื่องพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่เราเห็นเนี่ย คือภาพพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าที่เราเห็นในภาพหรือในรูปปั้นก็ตามในพระพุทธรูปก็ตามมีผมไหมมีเป็นเป็นหมุดหมุดมุดหมุคขด<ผ>มมีผมใช่ไหแต่พทธเจ้าให้พิสุกโกนผมตกลงพทธเจ้าไว้ผมคนเดียวเหรอหรือยังไงเชนเุภาพบรุษผมยาวอีกหนึ่งรอบ กราบขอพระคุณเจ้านะครับที่ให้โอกาสผมนะครับก <c oughs> ็คือว่าทราบว่านะครับไม่ทราบวัตถุรุพผิดนะครับก็ขอนิมนตน์พระคุณเจ้าเยช่วยวิสัชนาด้วยนะครับน <c oughs> ั่นคือว่าทราบว่าพระุทธองค์เนี่ยท่านมีความเป็นพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดา <c oughs> ที่ทราบว่าคือว่าตรงตรงพระเศียนท่านเนี่ยจะมีขออนุญาตใช้คำพูดแบบ สามัญมกระโหลกท่านเนะฮะจะมีกระดูกมนุษย์ธรรมดาจะมีกะโหลกเนี่ยยี่สิบแปดชิ้นประสานกันอยู่แต่ของพระองค์เนี่ย <c oughs> ความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะครับได้ผ่านการกันกรองแล้วก็ในเรื่องของการสร้างปัญญาสร้างขันติมามากมายก็เลยทำให้กระโหลกส่วนเนี้มีอีกห้าชิ้นอีกห้าชิ้นเนี่ยก็จะพูนขึ้นมาเหมือนเป็นภูเขาคือสี่ชิ้นเนี่ยปะกันนี้เสร็จแล้วก็จะมีชิ้นเป็นเกศอยู่เป็นจุกอยู่ข้างบน อ, อ, อีกอีกอีกชิ้นหนึ่งก็รวมแล้วเป็นสามสิบสามชิ้นนะฮะส่วนอันที่สองก็คือว่าความที่ท่านเนี่ยเป็นเป็นลักษณะมหาบุรุษวันที่ท่านออกบวชเนี่ยวันนั้นท่านอาเอาพระขันเนี่ยตัดตัดพระเมรีเสร็จแล้วท่านก็ตั้งจีริฐานแล้วก็เอาผมเนี่ยโยนขึ้นบนบรรยากาศท่านตั้งจรีรฐานว่าถ้าเกิดว่าผมท่านเน่ยลงมาหลา่นลงมาเนี่ยเขแสดงว่าท่านไม่สาเร็จแน่นอนแต่พอเมื่อโยนไปแล้วเนี่ย พระอินเนี่ยก็นั่งนอนอยู่ไม่ได้ก็รีบเอาผานเนี่ยมารับไว้เสร็จแล้วก็ไปบวชิฏฐานอยู่ที่พระจุลมณีอยู่บนชันดาวดึงทีงนี้ผมเนี่ยของท่านเนี่ยก็คือว่าตัดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องตัดอีกเลยฮะนี่คือลักษณะของความเป็นมหาบุรุษครับไม่ทัาบถูกรึผิดครับตัดตัดครั้งเดียวไม่ต้องตัดอีกเลยหมายถึงผมไม่งอกอีกเลยหรืองอกมาแล้วหรือมียังไงผมงอกแล้วแต่ว่าเป็นก้นหอยหมดเลยฮะละ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้ ก็น่าเสียดายว่าทั้งหมดมันเป็นอัตกาานะเห็นไหมว่าเราทรงจำอัตกาาได้แม่นแต่เราไม่สามารถทรงจำพุทธวจนะได้นะเออเพราะเราไม่รู้เพราะไม่มีตำราด้วยปัญหาคือในประเทศไทยไม่มีตำราที่เป็นพุทธวจนะใช่เห็นแต่บัวสี่เหล่าตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมเราไม่เจอบัวสามเหล่านะเพราะนั้น ลักษณะของมหาบุรุษผู้เจ้าสัตว์ด้วยพระองค์เองอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> เราจะทราบได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีผมนะเราไปดูบริบทในพระสูตรต่างๆนะอย่างลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยเห็นนะมีพื้นเท้าสม่ําเสมอมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดขึ้นแล้วมีซี่ทั้งพันพร้อมทั้งกงและดุมนะลักษณะ มีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุลข้อเท้าอยู่สูงแข่งดุกเนื้อซายยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสองมีบอกให้หมดเลยโยส่วนกระโหลกที่นูนๆไม่มี <c oughs> ถูกแต่งขึ้นนะอ่ะทาทันนี้ไปดูว่าบริบทต่างๆที่แวดล้อมพระสูตรเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าพระาศาสดาเนี่ยมีผมหรือไม่มีผม เราไปดูที่พารัทธวชะพรามคนหนึ่งเรียกพระพุทธเจ้าพผู้เจ้าเดินมาแต่ที่ไกลพรามนี้เรียกผู้เจ้าว่าอย่างไรนะเขาเรียกพระพุทธเจ้าว่าคนโลนนะเห็นนะเพราะนั้นพารัทธวชะใได้หลายพระสูตรนะเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยนี่เขาว่าพู้เจ้าอย่างนี้ด้วยะันนั้นแต่ก่อนเขาเป็นเจ้าลัทธิกันทั้งนั้นนะทุกคนเป็นศาสดาหมดนะ่ะนะพระเจ้าก็เป็นหนึ่งในศาสดาผู้ประกาศลัทธิเหมือนกันก็ต้องมาโตว้วาทากันหน่อยใช่ไหมอ่าเนี่ยแล้วพระเจ้าก็ใจเย็นสบายๆเลยถามภารัทวาใช่ป่ะเธอทราบไห ม, ไมคุณทำอะไรที่ทาให้คนเป็นคนถอย พาลัทวาชะไม่ทราบเน่เรียกเขาแต่ไม่รู้ว่าทําอันเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนถอยคืออะไรผู้เจ้าก็รบเป็นอย่างนี้ก็เลยอบรมภารัทวาชะซะเลยคนมักโกรธคนผูกโกรธลบลู่ย่างเรวมีทิฏฐิวิบัติและมีมารยาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวหรือแม้เกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถ่อยคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถ่อย คนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าเพิ่งรู้ว่าเป็นคนถอยอย่างนี้ผู้เจ้าตัดเยอะมากเลยนะแล้วก็มีอีกนางพรามณีสรรเสริญผู้เจ้ามากสามีนางพรามณีบอกว่าไปสรนเสริญทำไมกับสมณะหัวโลวนคนนั้นน ะ, ะ <c oughs> มีอีกพระนันธาเนี่ยเดินห่มจีวรมาจีวรใหญ่เท่าผู้เจ้าพิสุมองแต่ไกลนึกว่าผู้เจ้าเดินมาเลยจัดอาสนะตั้งเตรียมรับไว้พอมาใกล้ๆปรากฏว่าอา้าว เป็นน้องชายพระนันทะไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงตําหนิพระนันทะว่าทําไมผมจีวรเท่าพระเจ้าไม่ได้สังเกตเรื่องผมเลยเห็นไหมถ้าพระนันทะไม่มีผมพระเจ้ามีผมจะต้องสังเกตได้แล้วนะไม่ต้องรอให้มาประชิด ต, ตัวเราบอกเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่พระเจ้านี่นาใช่ไหมหรือมีอีกครั้งหนึ่งมีคนพายคนหนึ่งไปพบพระพุทธเจ้าพระเจ้านั่งอยู่แวดล้อมด้วยหมู่พิสุห้0รเขาไม่สามารถสังเกตได้ว่าพระเจ้าคือองค์ไหน นะและคนนั้นก็ให้เขารู้ว่าเป็นพระเจ้าด้วยยังไงพาเข้าไปพบเลยไม่ได้ชี้ว่าคนที่มีผมอยู่คนเดียวนะคือพระพุทธเจ้านะต้องพาเข้าไปชี้ถึงตัวเนี่ยคือพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยกลืนกับพิสูจน์ทั้งหมดเลยแสดงว่าท่านปลงผมเหมือนกันนะอะอย่างนี้ค่ะมีคําถามไหมค ะ, ะต้องอแก้หมดมั้ยเนี่ย <c oughs> าอาจารย์ข้างหน้าเลยถามมาแล้วทำไมนระพวทธรูปยังมีผมทีนี้อย่างนี้ถ้าอาจารย์คะหัวข้อเนี่ยมหัศจรรย์พระพุทธศาสนาเป็นหัวข้อใหญ่ใช่ไห uh huh. คะแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยก็อาจจะคิดแบบดิฉันในตอนแรกๆนะคะ uh huh. ก็มีความรู้สึกว่าเราจะเข้าหาอะไรสักอย่างเพื่อประโยชน์เนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ตนในปัจจุบันเป็นหลักการ uh huh. เมื่อคะ่ะเข้าใจว่ามีใคร <c oughs> ไม่มีความ <c oughs> ทุกข์ไหมคะอยู่ในที่นี้ความทุกข์มันมีหลายอย่างใช่ไหมคะ ความทุกแบบเรยา <laughs> ความทุกแบบ <laughs> ความทุกแบบใครเดีย <c oughs> แบบนักการเมือง <c oughs> ความทุกแบบคนเป็นหนี้ <c oughs> ความทุกอยากรวยไม่รวยสักทีนะคะความทุกโกรธเขาอะมันรู้สึกมุดหงิดอะอยากทําลา้คนคนนี้ <c oughs> ความทุกแบบเนี้ยค่ะวิชาพระพุทธเจ้าไม่ค่อยเห็นท่าอาจารย์พูดถึงเลยคือหมือ <c oughs> นกับว่า พูดต่เรื่องยากๆอ่ะจะไปถึงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีบางท่านคิดแบบที่ทิฉันเคยคิดก็เลยอยากจะถามในเรื่องต้นก่อนอยากรวยก่อนค่ะคุณอยากรวยไหมคะอยากรวยท้อไปซื้อหัวเลขรถนายกอันนี้เพื่ตาไม่สืบทิ้งเดี๋ยวไซื้อแล้วนะคะตัวเองก็ไม่ซื้ออยากรวยเนี่ยคําสอนของพระศาสดาช่วยได้อย่างไรคะท่อาจารย์คะไม่ใช่แต่รวยอย่างเดียวนะเอาสวยด้วยสวยด้วยเหรอคะและสูงสักด้วย อ, อ๋อค่ะแล้วมันจะทันเดี๋ยวนี้เหรอคะพอทันอยู่ <c oughs> อยากสวยรวยสูงสักโยมคีย์คานี้เข้าไปเลยนะ <c oughs> เราคีย์คำว่าอะไรนะเนี่ยโปรแกรมเราแจกให้โยมแล้วโยมคีย์คำว่ารูปงามรพแล้วก็สูงสักนะเว้นวรรคด้วยนะมันจะหาทั้งสามคำนี้นะนี่แล้วก็กดค้นหา พสัสดุขึ้นมาแล้วตรัสกับพระนางมาริกาต้องการสวยรวยสูงสักทำอย่างไรที่นี่มีรองรองผู้บรลลิการที่มาริกาอ๋อ <c oughs> โดนแซวเลย <c oughs> พระนางมาริกาลองฟัง <c oughs> ดูก่อนพระนางมลล า, นะมาริกามนะาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไหวนะ <c oughs> ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคลื่อนไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดิงไม่แสดงความโกรธความขัดเคลืองและความไม่พอใจให้ปรากฏผู้หญิงคนใดทําได้อย่างนี้จะสวยนะอ่ะต่อไปพระองค์บอกว่าเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูกปลายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคงไฟแก่สมณะหรือพราหม์ถ้ามาถุกคการนั้นจุติคือตายจากอัตภาพนั้นแล้ว กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งครัง่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงสักเห็นนะอ่าเป็นอย่างนี้ค่ะและและอย่างที่โยมถามเมื่อกี้นี้ค่ะบอกอยากต้องการในปัจจุบันนี้เลยทำยังไงค่ะทำสี่อย่างเพราะนั้นถ้าต้องการให้เราเนี่ย ได้ผลในปัจจุบันทันทีนะไม่ว่าปรารถนาอะไรจะได้ผู้เจ้าบอกว่า 1. ให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในสิน 2. ไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สัญญาคลาวัตงอกงาม 4. อย่างนี้เธอคิดอะไรจะสำเร็จผลตามนั้นและจะส่งผลในปัจจุบันด้วยเพราะสมาธิแระดับเป็นสมาธิเป็นกำหนัที่จะส่งผลในปัจจุบันทันที กำอื่นคอยไว้ก่อนนะอ่าอย่างนี้มายความว่าถ้าอยากได้ทุกอย่างเนี่ยให้รักษาศีลใช่ศีลห้ามีหลายข้อศีลห้าคราว่าเราศีลห้าพอละค่ะแล้วก็ไม่เหินห่างจากฌานหมายถึงที่ทำสมาธิทำสมาธิรู้ลมหายใจเพราะอีกพระสูตรหนึ่งพู้เจ้าบอกวิธีไม่เหินห่างจากฌานคือรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานแล้ว คือแค่ช่วยล้กงนิ้วมือก็ได้เพราะบางคนอาจจะตกใจว่าโอ้โหจะต้องนั่งเป็นชั่วโมงหรือเปล่าอยู่กับชาตนตลอดเวลาเลยหรือเปล่าจะได้ผลอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วิปัสสนามีความหมายขนาดไหนนะคะวิปัสนาคือปัญญาปัญญาผู้เจ้าบอกอะไรคือเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปจบแล้วแค่นี้เกิดดับเห็นเกิดดับ ค, คือในระวังอยู่ในฌาน ใ, ใช้ปัญญาให้เห็นการเกิดดับและสุดท้ายสม ญ, ญาคารวัตนิอาคารไหนเหรอคะสญญาคารวัตหมายถึงอาคารหรือเรือนว่างที่ว่างจากผู้คนนะเรือนว่างท้องถ้เงาเชื้อเนื้อผาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางโคนไม้ได้หมดนะถ้าเราไม่มีป่ามีท้องถ้าให้อยู่ก็เรือนที่ว่างจากผู้คนเรานั่งสมาธิภาวนานรักษาศินนะ ก็สมบูรณ์แล้วยมทําแค่สี่ข้อพระเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเอกลาภปัจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตยศเธอจะได้ตามปรารถนาะทั้งหมดค่ ะ, ะอันนี้ก็เป็นคําตรัสของพระพุทธองค์ใช่ต้องลองปฏิบัติกันดูนเออท่านคะทีนี้เราจะต้องปฏิบัติไปเราต้องอธิษฐานว่าจะมาคุ้นขอให้ได้นู่นได้นี่ได้ น, ไดนั่นถึงจะได้ อ, อ, อธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ได้ไอยู่ที่การสร้างเหตุนะพระศาสดาเปรียบเหมือน บุรคนหนึ่งต้องการน้ำมันแต่เขาเอาเมล็ดทรายมาเกลียลงในรางแล้วปะพรมน้ำแล้วมือก็คั้นเมล็ดทรายเขาจะได้น้ำมันไหมเขาก็จะไม่ได้แต่อบุรอีกคนนึงเอาเมล็ดงามาเกลียลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคันมาเล็ดงาเขาก็จะได้น้ำมันเขาปรารถนาเขาก็ได้น้ำมันเพราะมือเขาคันเขาไม่ปรารถนาแต่มือเขาคันเขาก็ต้องได้น้ำมันเพราะฉะนั้นอยู่ที่การสร้างเหตุถูกต้องหรือไม่ถ้าสร้างเหตุถูกต้องมีความเพียร ยังไงผลต้องได้แน่นอนนะโยมไม่อยากได้นิพพานเลยแต่ปฏิบัติมรรคแดดีๆได้แน่นอนนะนะคะก็อันนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอมีแต่เรื่องยากๆฟังนี้ชักเรื่อน่าสนใจในการปฏิบัติมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูเหมือนกับว่าคนจริงจาแค่สี่อย่างนี้ไม่ต้องจาอย่างอื่นเลยก็สามารถที่จะ ทำให้เราบรรลุความต้องการในทิฏฐธรรม<ช>ทิฏฐธรรมในที่นี้แปลว่าปัจจุบันทันทีปัจจุบันนี้ในทันทีอทีนี้สําหรับท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ท่านแล้วถ้าท่านยังมีคําถามอีกอยากให้ถามนะคะท่านไม่ถามจะใช่ไหมค่ะถ้าไม่ถามอาจารย์ผมยาวจะถามไปเรื่อๆ <c oughs> ยๆเชวญเลยค่ะขอบคุณครับพระคุณเจ้าครับ อ, าารอ่าฮะใช่ ส่วนใหญ่เนี่ยครูเนี่ยก็จะเป็นหนี้มีอะไรอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่รูไม่ใช่ครูที่นั่งอยู่ในห้องนี้โลนทั้งตัวผมแล้วผมไม่เป็นหนี้ถ้าเกิดว่ า, าถ้าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเรานึกถึงสุญยตาไว้เนี่ยสุญญาตาจะช่วยทำให้เราเนี่ยต้านหนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ที่มันไม่จำเป็นนะไม่ทราบว่าสุญญาตาทาให้เราสร้างฐานะได้ไหมครับ ตรงกันข้ามเลยสุญญาตาเนี่ยทำไม่ยมสร้างฐานะได้การเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานที่ผู้เจ้าตรัสไว้ไเมื่อกี้นะที่4อย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะเข้าสู่สุญญาตานะเพราะฉะนั้นสุญญาตาของผู้เจ้าคืออะไรบ้างปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานอากาสานานจา ย, ยัตนะวิญญาณานจายนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะสัญญาเวทิตนิโรแล้วก็นิพพานสิระดับคือสุญญาตา มันนั้นสุญญตาเป็นคำที่กวา้างนะนั้นด้วยการทำสมาธิจะเป็นเหตุที่ให้เธอนั้นเนี่ยได้ตามปรารถนาทุกเรื่องเห็นไหมมันอยู่ที่ใครรู้จริงไงถึงบอกว่าบางทีผู้เจ้าพูดมาเอ้จริงเปล่าพระพุทธเจ้านะในกอพูดมาเอ้รู้จริงหรือเปล่าผู้เจ้าบอกใครในโลกนี้รู้จริงผู้เจ้าบอกตถาคตรู้จริงนะนี่เป็นอย่างนี้นะ นั้นเราจรึงต้องกลับไปที่พุทธวจ น, นะเพราะเราต้องการสัจจะที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่สัจจะจริงๆจริงๆนะยังอาตมาถามโยมว่าโยมแก้วใบนี้มีไหมโยมจะตอบว่างัยโยมตอบว่ามีมีใครตอบอย่างอื่นไหมไม่มีเลยเหรอนะโยมที่ตอบว่ามีถ้าเอาการเวลาเข้าไปจับอีกหมื่นปีแสนปีล้านปีมีมาไม่มีแล้ว แสดงว่าคําพูดโยมไม่ใช่สัจจะสัจจะต้องถูกต้องตรงจริงตลอดการเวลาใช่ไหมถ้าโยมเคยเห็นแก้วแตกโยมก็บอกอะแก้วนี้ไม่มีหรอกเพราะแก้วมันแตกได้คําพูดนี้ก็จะผิดเหมือนกันมันจะผิดในปัจจุบันเพราะแก้วนี้ยังมีอยู่นะนั้นคำตอบว่าไม่มีก็ผิดในปัจจุบันจะถูกในอนาคตคําตอบว่ามีจะถูกในปัจจุบันจะผิดในอนาคตคําตอบที่ถูกต้องคืออะไร ผู้เจ้าบอกว่าแก้วใบนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอดีตก็จะจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงนี่คือสัจจะความจริงที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคําศาสดาเป็นอย่างนี้คือสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละหลักง่ายๆที่อาตมายกมาให้โยมดูเพื่อให้โยมรู้ว่าคําศาสดานั้นมันคือแฟกต์ความจริงผู้เจ้าจัดกับพระมหากาจนะว่าสุดต่งของความเห็นของมนุษย์มีสองทางอัตตา กับนัติตาอัติตาคือความมีนัติตาคือความไม่มีแต่ตถาคตย่อมแสดงทำโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายบอกลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง น, นี้และบอกลำดับเหตุของความดับไปว่าทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับอย่างนี้เข้าใจไหมอ่า <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่อ่ า, อ า, อาเชนเชนเป็นอย่างนั้นจริงๆพลอา่ารครับ อนัตตาเนี่ยกับสุญญตาเนี่ยไม่ทราบว่าตามความเข้าใจผมนะครับมันมันคล้ายกันมั้ยหรือว่ามันมันใกล้เคียงกันเลยฮะอนัตตาเป็นเรื่องของอันนี้นะแก้วเนี่ยเป็นอนัตตาผ้านี้เป็นอนัตตาอะไรเป็นอนัตตาบ้างนะถ้าโยองคีคําว่าอนัตตาเข้าไปพสูตรจะขึ้นมาเป็นร้อยพสูตร กูเจ้บอกอะไรรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแต่นิพพานเป็นอนัตตาไม่มีนะอา่าเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เป็นอนัตตาคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและดับปรากฏคือตัวตนชั่วคราวไม่มีอะไรในโลกเป็นตัวตนถาวรผ้าผืนนี้ก็อนัตตาหนังสืออนัตตา อาคารก็อนัตตาความคิดโยมก็อนัตตามีขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยอนัตตามีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีทุกแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีสุขเกิดดับทุกเกิดดับอนัตตามาั้ยปรากฏขึ้นสักพักหายไปนี่อนัตตาความหมายนัตาเป็นอย่างนี้ค่ะมีทีนี้มีท่านอาจารย์ข้างหน้านะคะอาจารย์สุภาพสตรี ขอใหม่จากข้างหลังขึ้นมาอาจจะรอปุ๊บค่ะเดี๋ยวลบกวนพิต้นเลยคุณสวรชานะคะกราบนรมาสการค่ะความดีความชั่วเป็นอนัตตาไหมคะความดีความชั่วก็อนัตตา ย, ยู่นะ ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดแม้แต่ธรรมะของพงค์ก็อนัตตาธรรมะของพงค์ทั้งหมดต้องทิ้งเหมือนกันพระศาสดาเปรียบด้วยพุ่งแพรบอกเธอรู้ว่าฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยเธอต้องรวมหญ้าลาไม้แห้งทํามาเป็นเหลือแพรแล้วเพียนพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเพื่อมาสู่ฝั่งนี้พอถึงฝั่งนี้แล้วบุรุษนั้นนะ มีความกังวลว่าแพนี้มีอุปการะมากกับเราชะไหนเลยจะแบกขึ้นบา่าหรือทูลไปบนหัวด้วยกันมีใครทำอย่างนั้นไหมแล้วจะทำยังไงกับเรือแพก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันผู้เจ้าบอกว่าธรรมะขององค์ที่สอนมาทั้งหมดเปรียบด้วยพ่วงแพเมื่อถึงฝั่งแล้วโยนทิ้งหมดเพราะมันเกิดดับเหมือนกันเป็นสังขตธรรม สุดท้ายของปฏิจจสุบาท์ผู้เจ้าจะบอกว่าคนคนนั้นจะรู้ว่าทรรมที่เป็นปฏิจจสุบาตนี้<ม>ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเลยทิ้งหมด น, นั้นโยมแบกของหนักอยู่5ชิ้นนะไม่ใช่หน้าที่โยมจะไปหาความเบาหน้าที่โยมคือเห็นโทษของของหนักและทิ้งมันลงให้ได้ทิ้งลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วิมุตต้องวิ่งหาไหมความเบาต้องวิ่งหาไหมไม่ต้องเบาเกิดเองใช่ไหมเพราะวางหนักหมดแล้ววิมุต์เกิดโดยอตัตโนมัติเมื่อวางขันท่าหมดเข้าใจไหมอ่าอย่างนี้ค่ะแปลว่าดับไปทั้งหมดไมโครโฟนวาอยู่ข้างหน้าอาจารย์จะถามไหมคะดิฉันจันได้ว่าอาจารย์พูดอยู่ข้างหน้ า, ามีความทุบแล้วมันจะวางได้อย่างไงมันทุบมันทุบเนะี่ยอย่าลำพึงแต่เพียงลำพังนะคะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เลยค่ะดิฉันทําเป็นเดินผ่านไม่หยุดฟังเลยเพราะว่า กลัวแกถามค่ะกลับมาสัากกานพระคุณเจ้านะคะคือแหมถูกพิธีกรแซวนี่ไม่ได้ต้องถือเหมือนกัน <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยนะค ะ, ะคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วจากตัวเองนี่ก็ชอบในลักษณะแบบนี้ถามว่า ชอบแบบไหนหจแบบไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมมีคนสนใจเนี่ยเปิดช่องว่าง <c oughs> คือต้องถามคือสนใจในเรื่องของพุทธศาสนานลักษณะนนในการที่จะฝึกจิตตัวเองทํำยังไงถึงให้จิตตัวเองเนี่ยปล่อยวางได้เมื่อกี้ที่ไปพูดอยู่ข้างนอกก็คือว่าเราทราบว่าไอ้ต้นเหตุของการการเกิดทุกข์เนี่ยคือเราไปหยิบไปไปยึดไปถือมันมา เราทราบแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องปล่อยวางแต่วิธีในการปฏิบัติในการปล่อยวางของเราเนี่ยมันไม่เกิดสักทีหนึ่งคือเราก็ยังยึดอยู่อย่างนั้นก่ะก็รู้ว่าต้องปล่อยแต่มันปล่อยอยังไง นะคะมันปล่อยไม่ได้เงี้ยกว่า <qu art> จะปล่อยได้นี่เราก็แทบจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะทีะนี้เราจะปล่อยอย่างไรคือเราทราบนะคะว่าว่าว่าเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จะปล่อยอยังไงมันถึงจะปล่อยได้ออกไปจากตัวเรานะบัดดนอย่างนั้นเลย <c oughs> นาบัดโดนอ่<ล>รับรองวันนี้ปล่อยได้แน่นอนมาวันนี้มาถูกวันละพระเจ้าล่อยอย่างนี้พระองค์บอกว่า อุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมน้อมนึกไปถึงกามมสุขน ะ, ะเวลาคนมีทุกเนี่ยจะนึกไปถึงเอ้ยกินเหล้าดีกว่าวไปดูหนังดีกว่าวะ่ะฟังเพลงดีกว่าไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกนี่การมสุขทั้งนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของกายนะและเมื่อเขาไป <c oughs> เสพความสุขตรงนั้นราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลคนนั้น นะก็คืออนุสัยความเคยชินต่อสุขเวทนาก<ๆ>็ไปนอนตามเขาอีกทุกข์ก็ไม่ได้แก้เพราะเขาไปเปลี่ยนอารมณ์นะส่วนปุถุชนผู้ทุกเวทนาถูกต้องเนี่ยไม่รู้การดับทุกข์ตามที่เป็นจริงก็เมาหมกพร่ำสรรเสริญนะเมาหมกอยู่กับกองทุกตรงนี้ไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ตามที่เป็นจริงปฏิคาอนุสัยย่อมนอนตามเขาก็ถึงความมีาการร้องไห้ค ร, ร่ำครวญทุกโกร่ําให้ ถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนนะไปเมาหมกอยู่กับทุกขเวทนานะนี่อีกพวกหนึ่งพวกที่เมาหมกกับพวกที่เวี่ยงไปทางราคานุสัยไปหาสิุขเวทนาอันเกิดจากรูปเสียงกินรนิยนะ์นั้นพระุทธเจ้าให้ทำอย่างไง <c oughs> ให้เราเนี่ยรู้จักทุกตามที่เป็นจริงว่าทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากผัสสะพระุทธเจ้าบอกผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคําไม่จริง ทุกทั้งหลายนั้นเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นเหตุนะสมณพราหมณ์เหล่าใดที่บัญญัติเรื่องทุกข์ขึ้นมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็อาศัยผัสสะญาตนะทั้งหลาย6ประการนี้เองปฏิจจสุบะถ้าโยมท่องได้โยมจะรู้ว่าผัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนาคือทุกข์สุขเฉยๆนะเพราะนั้นเมื่อบุคคลมีผัสสะกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นตตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเวทนาย่อมเกิดขึ้น นี่คืออาการของธรรมชาติและถ้ายมรู้ว่ามันเป็นเพียงแต่อาการของธรรมชาติยมก็จะหมดปัญหาและวิธีในการละความทุกข์ได้ทันทีก็คือการละนันทินันทิแปลว่าความเพลินนะแกพิสูผู้เพลิดเพลินซ้ำพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมรมนั่นนั่นแหละนันทีย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทีมีอยู่สาราคะาความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมี เมื่อความพอใจยอย่างแรงกล้ามีสัญญะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเป็นเพราะเราเนี่ยไปผูกจิตกับอารมณ์นั่นเองทุกขเวทนาเลยเกิดขึ้นพระตถาคตจึงสอนให้ละนันทิโยนทิ้งทันทีจิตโยมไปจับอารมณ์ปับ๊บทิ้งทันทีเลยอย่าเกาะเอาไว้ทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับอะไรทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับกายเขาไว้เดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งไม่ได้ทําอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกเขาไว้ ถ้าทำงานให้ใจรู้งานที่ทำอยู่เรียกสติอธิษฐานการงาน <c oughs> กวาดบ้านรูก้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถสอนหนังสือรู้สอนหนังสือดึงจิตกลับมาตรงนี้ทันทีอย่าไปใส่ใจเนื้อหาของทุกขเวทนานั้นไม่ต้องสนใจโยนทิ้งก็จะเห็นการดับการเกิดทันทีเห็นเกิดดับเป็นปัญญาแล้วนี่คือสุดยอดปัญญาไม่ต้องไปใช้เหตุผลให้ควรอะไรมากนี่คือสุดยอดของเหตุผลแล้วคือเกิดและดับสมุทัยกับนิโรธ ใครเห็นสมุทรไทยเห็นนิโรธคนนั้นชื่อว่าเห็นอย่างที่ศาสดาเห็นคือเห็นอริสสีนั่นเองนะทุกนี้ก็เป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกบรรยายไปได้อนเนกปริยายนะกู้นี่ก็เป็นทุกคนจนก็เป็นทุกนะต้องใช้ดอกเบีย้ยก็เป็นทุกนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกเห็นนะ อยากมาด้วยกันอยากไปด้วยกันกับคนที่อยากไปไม่ได้ไปก็เป็นทุกข์ไม่อยากไปไม่อยากมากับคนที่เราเกลียดแต่ได้ไปได้มากับคนที่เราเกลียดก็เป็นทุกข์เห็นการต้องมาด้วยกันการต้องไปด้วยกันกับคนที่เราไม่ชอบเป็นทุกข์นะการไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันกับคนที่เราชอบเป็นทุกข์เห็นไโอ้โหพระเจ้าบอกทุกนี้บรรยายไปได้อเนกปริยายเยอะมากนั้นทุกอย่างในโลกทาตเป็นทุกข์หมดนะ นั้นอะไรที่เป็นทุกข์บ้างพุทธเจ้าจะบอกขันธห้าเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ทุกอย่างเกิดดับหมดเลยโยมนะหนังสือนี่ก็เป็นทุกข์นะมีคนถามว่าหนังสือมันเป็นทุกข์ยังไงครับเขาไปคิดว่าความทุกข์เนี่ยคือความรู้สึกทุกข์เท่านั้นแต่จริงๆทุกข์ในอริสัตยหมายถึงธรรมชาติใดก็ได้ที่มันเดินไปสู่การแตกสลายได้นั้นเนี่ยธรรมธาตุนั้นถูกเรียกว่า ทุกข์สัตย์ทั้งหมดกองทุกข์นะความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่การดับความสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วมันมีความทุกข์สุขมันเดินไปสู่ความดับจึงเป็นทุกข์สุขจะเป็นทุกข์เพราะเดินไปสู่ความดับความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่ความดับสัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์คิดอดีตมาแล้วก็ดับคิดปรุงไปในอนาคตก็ด <lottery> ับมีใครคิดอดีตทั้งวันไม่มีคิดอนาคตทั้งวันไม่มีมีใครสุขทั้งวันไม่มีทุกอย่างเดินไปสู่่การดดับหหมนีและ ทุกธรรมชาติเป็นทุกข์หมดเลยโยมนะนี่คือสัจจคความจริงที่พระเจ้าเข้าไปเห็นนั้นด้วยการใช้มรรคธีละนันทิจบเลยง่ายๆและการละได้เร็วโยวมบอกว่าเอ๊ะมันละได้แต่มันไปอีกไม่เป็นไรมันไปได้เราก็ละได้มันไปใหม่เราละใหม่มันไปใหม่เราละใหม่สิ่งที่เราจะเห็นคือทุกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยเห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไรเราจะเข้าใจอนัตตาหน้าวันหนึ่ง ต้องทำตรงนี้ซ้ำๆซ้ๆซ้ๆไปเรื่อยๆนะนี่เคล็ดลับอุบายและมรรควิธีนี้พู้เจ้าสอนบ่อยด้วยในกลางพุทการโยมขีคขาว่านันทีเข้าไปจะเจอพระสูตร4ี่ห้าร้อยระสูตรเต็มพลื่ไปหมดเลยนะถ้าโยมเจอพระเจ้าดิฉันจะแก้ทุกไงพู้เจ้าบอกละนันทิลูกนะอ่าใช่ไหมละนันทิอย่างเดียวแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติตั้งจิตอยู่กับกายตัวกายยตาสติเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักปักเสาเขื่อนเสาหลักลงไปจับสัตว์6ชนิดมาจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงนะพอปล่อยไปปับ๊บไอ้งูนกจระเข้พวกนี้มันก็ยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจำปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าลิงลิงจะไปป่าช้าเนี่ย เมื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฉุดกันไปเต็มที่แล้วผลที่สุดมันเป็นยังไงหมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนจาาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเธอละนันทิ้เรื่อยๆผลที่สุดไอ้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะหมดแรงจิตยอมจะสงบหนะ้าเวลาหนึ่งเมื่อยมทํามากพอเวัะนั้นถ้าเราเพิ่งทํากองกองแกล้งแก้ ง, กงอย่าไปคิดว่ามันจะหายเร็วนะสังสารวัตนี่มันยาวไกลเราติดอนุสัยมาหุยนั่นหนาเลยให้ใช้เวลาทั้งร้อยปี เพื่อจเจริญมากก็ยังถือว่าเร็วอย่าไปคิดว่าช้านะร้อยปีกับแสนล้านปีที่โยมติดกิเลสมาตลอดเลยโยมใช้ร้อยปีก็จิตเดียวนะอ่าใช่มัพอถามนี้อ่าออที่เมื่อกี้บอกว่า ปิดมาแสนล้านปีเนี่ยก็อยากจะทราบว่าแล้วมันจริงหรือไม่ที่ที่พูดอบอกว่ามันแสนล้านปีเอ่อหนมึมอสงไขยอะไรเงี้ยมันเทียบกันมันคืออะไรแล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นไหมแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งที่ที่เขาพูดมาเนี่ยมันคือความจริงเขาเนี่ยเขาข <อ S 1> คือคนทั่วไปแม้กระทั่งเราคนทั่วๆไปเราไม่นับเพราะพระุทธเจ้าบอกอย่าไปเงี่ยวหูฟัง ที่อาตมาเอามาบอกโยมเนี่ย<อ>คือพุทธวจนะสงส่ยจะ บ, บัวที่สี่ที่เรา <laughs> ใช่ไหมพราะฉนั้ททนที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือพุทธวจนะนะกับอสงไขยต่างต่างเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้ว่ากับเนี่ยนานขนาดไหนพระองค์บอกว่าภ <c oughs> ูเขาหินแท่งทึบไม่โพร่งไม่กลวงแท่งทึบสูงส6บกกิโลยาวสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโล มีบุรุษคนหนึ่ง100รปีเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งภูเขาสึกไปอีกร้อยปีเผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนภูเขาหินนี้ราบเรียบนั่นนะกลับมาโยมเติมศูนย์กี่ตัวนะไอแ้แสนแสนล้านปีนี่ยังน้อยไปนะเติมศูนย์นับไม่ท้วนเลยซึ่งพระองค์บอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กลับเดียวหมื่นกลับพันกลับหมื่นกลับหรือแสนกลับเกิดม า, มากกว่านั้นอีกนานนะ น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ี่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ี่เธอเคยถูกตัดคอเพราะไหลเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลา <c oughs> ถ้าเธอเคยเห็นคนรวยไม่ต้องอิจฉาเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนาน เพราะนั้นถ้าจะคุยเรื่องรวยบอกว่าโอ้ฉันเคยรวยมาแล้วผู้เจ้ายืนยันใช่ไหยเป็นคนเคยรวยเป็นคนเคยรวยนะอใช่ไหมเห็นคนพิการก็บอกโอ้ไม่ต้องดูถูกเลยเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นมาหมดแล้วนะอพู้เจ้าให้เบื่อไงสังสารนี้ให้เบื่อซะเพราะนั้นในภูมิความรู้พวกเนี้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยเราจะเชื่อผู้เจ้าไว้ก่อนแต่เราตรวจสอบ ในธรรมะที่เราตรวจสอบได้คืออะไรปฏิจจสมุปบาทคือทำชั้นลึกที่เราตรวจได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังด้วยเช่นว่าโยมเคยไปห้างไหมเคยไปห้างมาเคยใช่ไหมเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่ไหมเคยทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นมีตั้งหลายร้อยตัวในห้างทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้เพราะอะไรตอบตัวไหนโยมชอบสีสวยใช่ไหมแต่ท่านแสดงว่าโยมต้องชอบก่อนจึงมีความอยากถูกต้องมะ มีใครว่าโยมคนนี้โกหกไหมไม่มีใช in ่ไหมเพราะโยมก็เป็นอาการอย่างนั Americans> ้นใช่ไหมมีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่ไหมเกียจเกียด์เสื้อตัวนี้แพงก็แพงใช่ไหมไม่มีใช่ไหมต้องชอบก่อนนะท่านี้ถามโยมต่อว่าก่อนโยมชอบอะไรเกิดเมื่อกี้อยากเกิดทีหลังชอบชอบแล้วถึงอยากก่อนชอบเกิดอะไรเกิดใครตอบได้ เห็นนะทางน้นตอบได้ค่ะคุณสุภาพบุรุษสายบ้านเอาเป็นดังเลยค่ะอวิชายังไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าถูกเหมือนกันนะแต่ถูกแบบอ้อมอ้อมนิดหนึ่งสัญญาค่ะสัญญาติดตาสัมผัสสัมผัสสัมผัสผัสสะต้องมีตาไปเห็นเสื้อก่อนจริงไหมมีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อมีไหมไม่มีไม่มีต้องมีอายตนาทางตาผัสสะทางตา ถ้ายอมเดินหลับตายอมจะได้อะไร <kilograms. S 1> ได้ซีดีไงหูยังอยู่เอใช่เปล่าเห็นไหมผัสสะทางหูในห้างเปิดเพลงเอ้เพลงนี้เข้าท่าไหนไปซื้อมาให้หน่อยสิใช่ไหมเกิดผัสสะเกิดพอใจเกิดตัณหาความอยากเกิดความยึดจ่ายเงินนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเห็นไหมมาเป็นเสื้อฉันละเสื้อห้างหายยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายยมทุกใช่ไหมน้เสื้อฉันหายมีฉันละเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้น เราตรวจได้ไหมภาษะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุบาทานตรงปเปนะ๊ะเห็นไหมนี่เป็นธรรมะชั้นลึกที่จะหลุดพ้นจากความตายเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นที่เรายังตรวจไม่ได้เราก็เลยเชื่อไว้ก่อนเหมือนทฤษฎีของไอสไตน์เนี่ยโอ้โหบัญญัติมาเยอะแยะเลยณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ไม่หมดเลยแต่ก็เชื่อแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เชื่อใช่ไหมหย่อนลองไปวุบหายไปหนึ่งเมืองเอฟุกมัวุบ อีกหเมืองเออเชื่อแล้วใช่ไหมทฤษฎีเขาทําได้จริงแสดงว่าทฤษฎีอื่นเนี่ยน่าจะเป็นจริงด้วยนี่เขาก็นั่งไล่ตรวจสอบไปเลยนั่นโยมต้องไล่ตรวจสอบทฤษฎีของผู้เจ้าและทฤษฎีของผู้เจ้าไม่ใช่ทฤษฎีอย่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันคือแฟกความจริงที่ผู้เจ้าเข้าไปสังเกตและโยมคิดดูว่าสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผู้เจ้าก็มีอาการจิตเหมือนโยม ผ่านมาสองพันกว่าปีโยมยังมีอาการจิตเหมือนที่พุทธเจ้าพูดไว้เลยธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาให็นะสิ่งที่พุทธเจ้าพูดมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยและเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้อัตมาจึงถามว่ามีใครคิดว่าคนนี้โกหกไหมไม่มีเพราะว่าตัวเขาก็มีเหมือนกันและโยมคิดว่าชาวคริสก็มีอย่างเราไหมี อิสลามมีไหมมีฝรั่งมีไหมมีจีนไทยเหมือนกันหมดเลยขอให้เป็นมนุษย์เหมือนกันนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปเห็นหลักของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนะไม่ได้จะไปล้มล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือต้องการประกาศตนเป็นศาสดาอะไรต้องการให้เราเข้าถึงความไม่ตายเข้าไปเห็นความจริงแล้วมาประกาศความจริงให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้าใจมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะทนต่อการเพิ้งพิสูจน์นะ ใครเพ่งพิสูจน์ชันท่าจะเกิดขึ้นเขาจะพอใจเขาจะมีความเพียรพยายามอย่างนี้และธรรมะนี้เป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตามกันมาโยมบอกว่าโอ้บาลีสมรัฐจำมาผิดมั้งลอกมาผิดต้องสองพกว่าปีตรวจได้และช่วยกันตรวจด้วยและโยมจะยิ่งมีศรัทธาในพระธถาคตเข้าใจไหเป็นอย่างนี้ครับ okay. ชอบใจไหมคะสําหรับอสงไขยที่ทราบมับงท่านรู้ลอท้คุณคะค่ะ <c oughs> บางท่านรู้ละท้อนะคะอาจารย์โอท oh, ่นมันยาวจังแต่ผมเคยรวยเอลดีเหมือนกันผมบอกเคยคเป็นพระไม่ชอบอืมเ <c oughs> นี่ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนถามท่านต่อเลยนะคะว่าไอ้พรพเราเคยเป็นมาแล้วนะคะพระรับบาปด้วยค <c oughs> <c oughs> ่ะทีนี้อยากถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นมนุษย์ล่ะคะมันเป็นได้ ทำอะไรบ้างถึงได้เป็นมนุษย์ทําทำอะไรบ้างถึงได้พลัดหลงไปเป็นสัตว์อ๋อการจะเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมีตัวสินห้ามีอุโบสถ8ปประการอย่างพระศาสดาเคยแนะนำหน้าว่าถ้าอยากจะได้ตาตภาเป็นมนุษย์เนี่ยให้รักษาอุโบสถ8ประการทุกวันพระนะคือทุกวันเพนสิบหข้ามหรือ14่ข้ามหรือ8ดข้ามแห่งปัดอย่างนี้ ตัวสินห้าเนี่ยเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์นะจะได้ตภาพตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะแต่ไม่ได้ยืนยันมาทุกคนนะเวันนั้นเก้าสิกว่าเปอร์เซ็น์แค่นั้นนะนั้นถ้าจะา ก, การพลาดอีกนิดหนึ่งคือต้องทําสมาธิด้วยนะถึงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทาอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดพลัดหลงไปละมันโชคร้ายจริงๆเรยไปเป็นแพะคะ่ะะจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งทำไงคะโอ้โหอยู่ยาวนะถ้าโยมหลุดไปนิดนึงไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะ โยมวนอีกยาวเลยเพราะว่าผู้เจ้าตัดอย่างนี้โยมเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหม <c oughs> แล้วตายไปผู้เจ้าบอกมนุษย์พระสูตรหนึ่งบอกมนุษย์ที่กลับเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนะพระองค์เอาเล็บเคลียเศษดินขึ้นมาบอกกับสาวกว่าดินในปฐพีกับดินในเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกอุ้มปฐพีมากกว่ายเยอะบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บไป คิดเปอร์เซนต์เองละกันว่าเ0็ดกว่าล้านคนเนี่ยในโลกเนี่ยมันจะเหลือกลับมากี่คนกันใช่ไหมนี่ในยะหนึ่งอีกในยะหนึ่งเมื่อยมหลุดไปแล้วไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีก <c oughs> ยมจะวนอยู่ในลูกอันี้นะไปเป็นปเปรตวิสัยเดรชานสัตว์นรกเป็นปมเป็นเทวดาไปยาวเลยนะกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความนานขนาดไหนพระองค์อุปมายอย่างนี้เปรียบเหมือนโลกใบนี้มีน้ําท่วมถึงกันทั้งหมด มีปลุดคนหนึงหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลงก็พัดแอกไม่ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกนในน้ํามีเต่าตาบอด100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดขอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากนะไอเต่าก็ตัวนิดเดียวตาก็บอดน้ําก็ท่วมทั้งโลกมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ย แถมต้องยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวนั่นแหละความยากของสิ่งสามสิ่ง 1. ความยากในการได้เป็นอรันตสมาสพุทมมธเจ้า 2. ความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ 3. การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกนี่คือยากเสมอกันไม่ง่ายนะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าขณะนี้นะเธอก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วนะอย่าประมาทให้คุณกระทาโยคกรรมพ่รู้ว่านี้คือทุก นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนะ <c oughs> <c oughs> นั้นถ้าไปวนอยู่ในเทวราก็โชคดีไปแต่มันไม่มีความแน่นอนผู้จ้าบอกว่าคนที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอนเลยโยมอยากเป็นเทวราให้ตายก็เป็นไม่ได้ ถ้าโยมไม่สร้างอนุสัยความเคยชินในกุศลธรรมเอาไว้นะจิตจะไปเกาะอัตภาพใหม่ตามอนุสัยของโยมนะว่าโยมเคยชินกับธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลพระตถาคตจึงบอกว่าถ้าอกุศลเกิดขึ้นในใจเธอแล้วเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปติวานีสติสัมปัจญญาอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟมั่งลุกโผล่เสื้อผ้า หรือไฟไม่ผมบนศีรษะเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุตสาหะความเปลี่ยนอุโสลหฮีความเพียนอย่างแรงกล้าปัตตวานีความเพียนอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นเห็นไหมไม่งั้นมันจะเกิดเป็นอนุสัยนั้นเวลาโยมโกรธใครเกลียดใครรีบทิ้งนะอย่าเมาหมกกับอารมณ์นั้นอย่าผูกติดกับอารมณ์นั้นไปนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกิดประโยชน์อันตรายจะเกิดขึ้นกับเธอนะเพราะฉะนั้นเวลายโยมเกลียดใครโกรธใครอันตรายไม่ได้เกิดกับเขานะอันตรายเกิดกับโยมและการที่โยมต้องไปเกิดในเดรัจฉานหรือสัตว์จําพวกมิ尼บาทพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกาเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยคือมันจองจํากันยาวนานมากโยมกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกก็จริงแต่มันยาวนาน ระหว่างความยาวนานนั้นนะ่ะโยมต้องทนทุกทรมานขนาดไหนใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะค่ะล่องเลยเวลามาขนาดนี้นะคะิฉันว่าพวกเราคงจะเห็นความหาักสจั์ของพระพุทธศาสนาความหาักรจั์ของพุทธวจนะไปพอสมควรแต่ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ยังมีวิจารณญาณว่ายัางควรที่จะเพิ่มเติมอะไรอีกทิ้งท้ายไว้นะคะก็ขออาราธนาท่าน แต่ถ้าสมมุติว่าท่านคิดว่าเพียงพอแล้วสิ่งที่นี้อยากขอให้กับครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเชตุพลทุกๆ ท, ท่านนะคะคืออยากจะให้ท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกมันสะดวกสบายมีเทคนิคในการปฏิบัติให้มันง่ายๆให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยเม่ตาชี้เทคนิคนอกเหนือจากในเรื่องของการปฏิบัตินะคะว่าเออเรื่องนักมีองค์8เนี่ยทำยังไงถึงจะให้ง่ายที่สุดในการทํา ง, งานไปด้วยเลี้ยงหนูไปด้วยดูแลสามีไปด้วยให้มัน ง่ายๆค่ะก็คงจะรบกวนท่านเป็นสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นอย่างนี้มีสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งที่จะแถมให้นิดหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธอยากสร้างสร้างความเข้าใจใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกโยมอย่างที่2ก็คือเรื่องเทคนิคง่ายๆนะอันดับแรกนะเอาเรื่องนี้ก่อน เรื่องว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดยงว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดไหมใช่พยักหน้าพยักหน้าใช่กันหมดถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าถ้าใครพูดว่าวิญญาณเวียนไหไตายเกิดผู้ชาจะตำหนิว่าเธอเป็นโมคบุรุษซวยจะแล้วนะเห็นไหมว่ามันคนละเรื่องกันเลย <c oughs> จริงบอกว่าวันนี้นนเราโยมาเปิดโลกทัศทใหม่จริงๆนะล้าน ล้างสมองอ่ะต้องเป็นการล้างสมองกันใหม่เลยนะยงไปดูพระสูตรนี้นะสติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงเธอตามที่พระพผู้นี้พระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นี้นี่แหละย่อมลั่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใชื่สิ่งอื่นไม่ดังนี้เราชาวพุทธจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยแลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตใช่ไหมอลองไปดูถ <c oughs> ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพรวงย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเราเช่นนั้นว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมนั่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่นสิ่งอื่นไม่หลังนี้สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พวกผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้ผู้ผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นผู้เจ้าว่าอย่างไรโมคะบุตรเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไล่ถามเลยไหนตถาคตแสดงธรรมนี้แก่ใคร โมคัพบุตรเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมปน ร, รมโดยปริยาเป็นอันหน้าถ้าเว้นขาดจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นหนึ่งวิญญาณ น, นี้ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือเห็นนะวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมปน ร, รมคือเกิดดับและเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของมันคือนามรู้เกิดดับตลอดเวลามันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับตลอดเวลานะโมคัพบุตรเม่เป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่า ย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตัวเองด้วยย่อมประสบสิ่งมี้เช่บุญเป็นอนุโลกด้วยโลคัพุรุษข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาดนานดังนี้และยังจะไล่ภิกษุสาติออกจากความเป็นภิกษุด้วยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสงในทางวิเนัยนี้ได้บ้างไหมนะจะขับออกจากพระเลยนะ เห็นไหมว่าเราชาวพุทธเข้าใจผิดจากที่ศาสดาบอกจริงๆแล้วยอเข้าใจถูกว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยที่เวียนไหวตายเกิดพราะผู้เจ้าเองก็เคยพยากรณ์อดีตชาติของท่านจริงอืมแต่สิ่งนั้นใช้คำเรียกว่าวิญญาณไม่ได้เพราะวิญญาณไม่ได้เวียนไหวตายเกิดวิญญาณเกิดดับเกิดดับตามภาษาของมันไปผู้เวียนไหวตายเกิดจริงๆ พระตถาคตเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวหน่อยถ้าจะเรียกสั้นๆคําเดียวเรียกได้ว่าสัตว์หรือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นหรือผู้หลงนั่นเองถ้าอวิชชาคือความหลงความไม่รู้นะดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทํานองเดียวกันบางคราวเล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริสัตทั้งสี่นั้นอริสัตย์สี่เป็นเรื่องเล่งด่วนที่เราต้องรู้อันดับแรกของชีวิตนะเพราะฉะนั้นคนที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกเพราะฉนั้นให้เราทราบว่าไม่ใช่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นขณะที่โยมนั่งสมาธิ <c oughs> ได้ลองนั่งสมาธิกันไปสักแป๊บหนึ่งใช่ไหมอ่า ยมจะเห็นว่าขณะที่โยมรู้ลมหายใจเนี่ยจิตมีการเคลื่อนใช่อืมร้อยทั้งร้อยจะคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้แล้วพอเราดึงกลับมาก็จิตวิ่งมาหาที่เดิมใช่ไแต่จริงๆไม่เป็นอย่างนั้นขณะที่จิตมีการมาการไปนะพระตถาคต บ, บอกว่าจะมีตายและมีเกิดนะเห็นนะเพราะนั้น แค่กระบวนการตรงเนี้สั้นๆนิดเดียวเนี่ยที่จิตขยับปั๊บไปเนี่ยโยมนึกว่ามันขยับนะแต่มันดับมันเกิดแต่เร็วมากจะไม่ต่างกับที่โยมเห็นไฟแผงโฆษณามันวิ่งเห็นไหมปึบพอยมไปดูใกล้ๆไฟดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับดวงนี้สว่างนี่ดับนี่สว่างมันไม่ได้วิ่งไฟไม่ได้วิ่งแต่แสงสว่างมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดทําให้โยมรู้สึกว่ามันวิ่งเหมือนกันไม่มีผิดเลยโยมจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ขณะที่ยมดึงจิตกลับมานี่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัวสืญนยาตาตัวนี้เป็นตัวเข้าไปจับยึดวิญญาณนะแล้ววิญญาณก็เข้ามาจับยึด ต, ตรงนี้ต่อนี่กระบวนการมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าขั้นตอนตรงนี้มันถ้บจะหนึ่งในล้านวินาทีมันปั๊บเดียวผู้เจ้าจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมคือไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับตลอดการเลยเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากนะ สมคำให้เราทราบว่ามันคืออันเดียวกันจิตมนโนคือใจวิญญาณมันคือสิ่งเดียวกันคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ผู้เจ้าตัดไว้อย่างนี้ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นบางหนึ่งเกิดขึ้นบางหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเปรียบเหมือนอะไรอุปมายากด้วยผู้เจ้าบอกอุปมาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเร็วมาก ยากจาะหาออกมาโดยปกติผู้เจ้เาจะออกมาเปรียบเหมือนฟองน้ําที่เกิดบนผิวน้ํขนาขณะที่ฝนตกฝนตกลงมาแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นบนผิวน้ําดูเม็ดฟองดิบนผิวน้ําในแม่น้ําทะเลสาบมาหาสมุทรเม็ดฟองเกิดมาหาศาลกี่ดวงมากมายเป็นแสนเป็นล้านดวงนับไม่ถ้วนใช่ไหมแล้วเกิดดับเร็วไหมเร็วป๊อป๊อปป๊อปป๊อยิบตลอดเวลาเลยผู้เจ้าบอกเหมือนกันเลย วิญญาณในโลกธาตุมากมายมหาศาลเกิดดับตลอดระหว่างฟองน้ําต่อฟองน้ําถูกขั้นด้วยไหลยมถูกขั้นด้วยอากาศอากาศนั่นแหละคือสุญญาตาความว่างสภาวะของวิมุตติที่เชื่อมระหว่างรอยต่อของวิญญาณต่อวิญญาณนะผู้เจ้าบอกที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุกนะเพราะนั้นสุญญาตาเป็นชื่อแทนนิพพานนะการปล่อยวางวิญญาณได้ สภาวะของสัตว์ผู้มีวิชาจะเป็นผู้มีวิชาแล้วจะเข้าสู่สุญญาตาตรงนี้นะเพราะนั้นสิ่งเนี้ยพวกเรามีกันทุกคนแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะเราเข้าใจผิดรู้ผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราเพียงแต่เราปล่อยความเข้าใจผิดปล่อยความรู้ผิดเห็นการเกิดดับของขันห้าและคิดว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะเข้าสู่วิมุตความไม่ตายบ้านเก่าเรานั่นเองสภาวะ<ม>เดิงของเราทุกคน ที่ผู้เจ้าต้องการให้เราเข้าถึงพอเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่อยากทําความเข้าใจกับพวกเรานั้นกลับไปฟังซีดีตะมาเยอะๆหน่อยอธิบายเรื่องนี้ไว้พอสมควรนะและมักวิธีที่ง่ายนะอย่างที่ยมติว๋วขอเอาไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดอะไรไม่ออกนั่งรู้ลมหาใจเข้าไว้นะทุกอย่างจะจบด้วยกระบวนการนี้กระบวนการเดียวนั้นเราประมวลคํำผู้เจ้ามาเนี่ยผู้เจ้าสรรเสริญอ น, อนาปามัยมากตถาคตก็ใช้เอง สรรเสริน า, นาปาว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตะถาคตเป็นอริวิหารเครื่องอยู่ของความเป็นพระอริบุคคลนะเพราะฉะนั้นโยงคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจเข้าไว้ถ้าจิตหลุดจากลมละความเปลืน่นกลับมารู้ลมทำแค่นี้หลุดพ้นเป็นอริบุคคลได้แน่นอนละความเปลืน่นตั้งจิตอยู่กายนะถ้าโยมทํางานให้รู้งานที่ทําในปัจจุบันเรียกสติฐานการงานเป็นกายยัตาสติเหมือนกันถ้าเดินให้รู้เดิน เคลื่อนไหวรีบดทําอะไรให้รู้ตรงนั้นเอาจิตอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะทําแค่นี้พอแล้วจิตเคลื่อนออกจากปัจจุบันละความเพลินกลับมารู้อยู่ตรงนี้พอเข้าใจไหมจับหลักแค่นี้มักคแปดจะครบมิมุตได้แน่นอนนะทําไปยันตายเลยนะอา่าพอเข้าใจนะสาธุค่ะจากการที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนไม่ว่างเพ อ, เอาอ๋อใช้งานเยอะมากจะเวลาที่ไหนไปปฏิบัติ นะคะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ค่อยคิดนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าปอดใดที่ยังหายใจอยู่มันมีโอกาสตลอดเวลาปอดใดขนาดเป็นอมภาตก็ยังรู้ลมหายใจได้ถูไไกไหมคะท่านอาจารย์ท<ช>ี่จะรย์บอกว่าให้รู้<ช>สติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยถึงแม้เป็นลมหายเป็นอมภาสมันก็ยังมีลมหายใจอยู่ <c oughs> ท่านก็คงมีกําลังใจและคิดว่าวันนี้เนี่ยทางวิทยาลัยพนิชชียาการบางนาบุคลากรทุก อ, อ๋อคุณเชยทุพล ดิฉันคือเป็นสอสอบางนาขออภัยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกห้ามเล่นการเมืองนีนยังไม่คิดเล่นต่อนะคะไม่ได้หาเสียงค่ะเป็นความที่ไม่ได้ใช้สติเอานะคะขอประทานโทษ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าในส่วนของการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์คริสต์ด้วยผ่านไปพร ะ, ระอาจารย์ขาพระอาจารย์จะส่งท้ายด้วยการให้รู้ลมหายใจสักปุจจัยได้ไหมคะก<อ>่อนที่ท่านจะแจกหนังสือค่ะได้ได้นะคะสองสามนาทีก่อนกลับบ้านเอาสักหน่อยหนึ่ง ฝันเลิกเรามาทำความรู้อยู่กับลมหายใจนะผู้เจ้าบอกแค่ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็มีนิสสงมากแล้วนะเราลองซักสองสามนาทีไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีความคิดในหัวรู้สึกเหมือนโยมสูดหายใจทีเดียวว่าสูดข้าปล่อยออกแค่นี้ทำความรู้แค่นี้ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไป ศา ส, สดาเปรตเหมือนการจับนกด้วยมือบีปแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือวางจิตพอดีพอดีเหมือนนั่งเล่นสบายสบายนั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะลองดูะเริ่มได้นะ ก่อนออกจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมา ออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังพุทธพจนะธรรมะที่ออกจากปากพระพูมีพระภาคเจ้าโดยตรงที่ถ่ายทอดโดยอัตมาแล้วก็พระมารที่เป็นสมณะสักยปุตยะบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในสักยะตะกูลนะก็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้จงเป็นเหตุปัจจัยที่ให้พวกเราได้ประสบกับสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัย มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดคอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนันใกล้โดยตัาหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญสาธุค่ะเรากราบขอบพระคุณ